ที่วอลว่างเรื่องสิขขงทธาสิทธิราชาสิทธายหมดเรื่องเกี่ยวกับวายุวัจกรนะครับไวายุวัจกรจบแร้วครับทุกท่านนะยียงแต่ว่ามีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจนะครับซึ่งในการถ่ายท่านไม่ได้ยกมาแต่ว่าอยู่ในสมดักรภาษาพิการนะครับเกี่ยวกับอะไรนะ่ะการรับนะครับถ้าในสิทธาบนี้ววอ่ะวายวัจกรอนะ่ะเกี่ยวกับเงินทองดีตรงที่ว่าผู้มาถวาย แล้วก็มีการถามถาวิญญาณผจกอแต่ยังมีวัตถุอย่างจื่นอีที่ไม่ได้เป็นวัตถุสิสสคีแต่ก็ไม่ขูมกันมีแก้วมุ้งดาแก้วมีแก้วไพลทูลเป็ น, น, นต้นแล้วก็หน้า ต, ต่างๆนะหน้าต่างมันจริงไ ม, ม่จหน้าสิบอย่างนะมีจำไม่ครบรู้สึกว่าเจอข้างหน้าเจออีกแล้วสมุนรต้าน่าสิบอยา่างมันก็จะมีเงินทองใช่ไหมสองอย่างนี้นเป็นนิสสคีเลยถ้าคือเหนือก็เป็นอวิญญาณผจก ลักษณะที่นี้ไม่พอนะแม้แต่ธรรมชาติแต่ชนิดที่มาเป็นแบบข้าเปลือกะไรนะครับหรือว่าชาติหญิงชาติชายนาสวนอย่างนี้นะครับเป็นต้นมีสวนดอกไม้ผลไม้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นวัตถุที่กดมัาลําไม่ได้รักเกลือใครก็ไม่ได้เลยแต่ว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับว่ามันล่ำไม่ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมความจริงที่ล่ำได้ก็มีล่ำไม่ได้ก็มี อยู่ที่วัหานคําพูดของทายกนะว่าเขาพูดถูกหรือว่าพูดผิดนะครับแต่เาใช้คําพูดถูกต้องเป็นกับเปี้ยววัหานนี้ก็สามารถรับได้นะถ้าใช้คําพูดไม่ถูกก็รับได้นี่ที่มึงจะถามทวนนิดหนึ่งนะว่าวัยัเกษตรกร่ะมีกี่ประเภทครับอันที่ก่อนใช่ไหมครับไอ้วัตถุที่ว่าเป็นอาาน่าไหมครับไอแก้วหน้าเป็นปูนนี่ก็ใช่อะะครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วเป็นไม้สกรีนไหม มันเป็นเรื่อทุกขกครับชใช่บไว้ไม่จับนะแต่ว่าใช้ผ้าแทนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามันไม่ดีมันไม่ควรตั้งแต่ล่ำนั่นนะคือล้วไม่ควรตั้งแต่ล่ำนนะครับอันนี้จะพูดถึงประเด็นไหนประเด็นว่าเป็นอ น, น, นามาสนะครับอันนั้นได้ครับคือเราไม่ได้แก่งไม่ได้ลํานะไปเจอไปอะไรเงี้ยตกหล่นใช่ครับเราใชมันจาเป็นกองไหนก็แล้วแต่นะล้วก็ใช้ผ้าได้ แต่ว่าเราจะมาเก็บเอาไว้มาล่ามันหินนี้นไม่ได้เก็บไว้เอาไว้เป็นแรกไม่รู้ดิมันจะมีลาเ่เหินนั้นวันนั้นได้บ้างก็แล้วใช่ไผมจําไม่ผ่ด้แมันจิะมีหลาอยาอย่างนะครับวันนั้นแหละลองกลับไปดูนะถ้าเป็นพูดถึงสีลาเอายกตัวอย่างสีลาก็เป็นลักษณะอย่างสีลาเพรารว่าหินในที่นี้ไม่ใช่หินธรรมดาทั่วไปแต่เป็นหินมีค่าก็คือพวกหยก ถ้าเป็นหยกเป็นก้อนเป็นแห่งรหรือว่าอย่างนี้นะเข้าไปทําเป็นรูปลายมาแค่นี้ก็ยังไม่เป็นอนาณาบ้างนะครับก็ยังเล่าได้อะไรได้นะแต่เมื่อใดเข้าไปเจีรานายแล้วก็ไปไประดับตกแต่งเรื่องศาสนาอันต่ายนะครับอันนี้มือเห็นจะไม่ได้ซึ่งแต่ละข้อก็มีรายละเอียด น, นะวันนี้ไม่ใช่กรสิบประเภทถ้าสรุปออกมาแล้วได้นสิบประเภทนะเลยย่ อ, ยอ ได้สี่เราเดยนสรุปได้สี่ประเภทนะครับก็คืออย่างแรกวิทยุพัฒนาที่อาจจะไม่เน้นทันทีล้วคือไหนนะครับจะเน้นทางขาหนีกันเลยรันเพราะวันน well. ี้จะมีคุณขาจะมีคุณขาจีวอลล์และมอนอนะครับอย่างแรกคือวิทยุกรฒนาที่ิสุแสดงก็ตามจุดนะครที่พิสุจแสดงก็ตามสิดขาบทนี้ใช่ไหม โยกเขาถามหาวายกรรมวัจกรพระเขาสแสดงว่าคนนี้คนนั้นคนนี้ใช่ไหมครับคนที่อยู่ต่อหน้าคนดีรําหลังก็ดีนะแล้วแต่นะครับแต่นี่คนะื อ, อเป็นผู้สแสดงอย่างที่สองวายกรวัจกรที่พูดเป็นผู้แสดงคเขาทู่หรือว่าทายงยกก็แล้วแต่เขาแสดงเสร็จนะเขาไม่ได้ไม่ถามหาวายกรวัจกรมาเขาลุ้นในวีนะครับเขาก็เลยเอาเงินไปหม้อกับวัยกรรมวัจกรนั้นก็มาบอกพระเลย ถาวายปัจจัยสมควรแกสมามเณรหรือมักรวนาชไหครับให้ใท้าไปขอสมควรเนียวายาชนั้นได้นะคะรับโดยที่เข า, มาไม่ถามเลยนะไม่ถามวรรยายุพจ่์นี้เขาแสดงเองเลยนะครับอันนี้ช่วงวรรยายุพจกรที่ทูแ่แสดงแล้ 3, วรรที่สามวยุพจนรที่เสนอตัวเป็นเองเนี่ยไม่มีการชันแทงเลยที่สุดก็ไม่ได้สารในท้ายก็ไม่ได้แสดงนะครับคือ โยมเน่ยข้อวเงินมาถวายพ้าท้าก็ปฏิเสธไม่แลาะข้าทางน้ไว้ยี่ยมเกษตรกราเขาว่าไม่มีอถ้าไม่อยาจะยุ่งเราไม่อยากจะยุ่งไม่อยากอะไรนะนะครับก็เลยบอกไม่มีนะครับไม่มีไม่มีจริงจรด้วยครับไม่โกหกไม่มีจริงด้วยแล้วท่านก็ไม่ต้องการแสดงใช้เป็นวายาขึ้นมาแบบนั้นด้วยนะครับเพราะฉั้นท่านก็ปฏิเสธไปโยมว่าทายังไงเนี่ยพอดีมีคนอยู sal ่แถวนั้นก็ขอเสนอตัวเป็นเองนะนี่นะ <to> ไม่มีใครแสดงเลยแล้วทายก็เอาออเอาเงินเอาอะไรไปตัดแจงกังนี่้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้กลับมาบอกพระอืมครับล่าสุดท้ายวายุวิศกรล่ละครังวัยุวิศกรล่ำหลังเนี่ยนะครับทางยกนะเข้าไปหานะครับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอุปสรรคของพระนีะครับหรือว่าโยมวเนะีย อครับอุปถัมภ์ท่านหรือปัญหาวายัไม่เจกระตั้งแต่นะหรือว่าคนที่เขารู้จักนะครับเขากองเงินมาทองใส่หม้อไหมให้แล้วก็สังการกนเสร็จนะว่าชื่อยหาของนั้นนี่พระขุนเจ้าด้วยแล้วพระขุนเจ้าตองการนะครับช่วยไปหาท่านด้วยแต่ไม่ได้กลับมาบอกท่านว่าให้ท่านไปบอกขบมญยาได้เวลาท่านต้องการสิ่งของนี้เมื่อไรขอให้ท่านไปบอกขบมญยังไม่เจกรนั้นได้ใช่ไหมครับไม่ได้กลับมาบอกเขาสั่งการอะไรเสร็จนะ อันนี six, ้กขารียวิญญาณวิจารณ์รอบหลังประเภทที่สี่นะครับทีนี้ก็จะถามต่อไปว่าวิญญาณวิจารณ์ประเภทแรกที่พิสูจน์เป็นผู้แสดงนะครับอันนี้ทวงไดกี่ครั้งมันยื้อได้กี่ครั้งเครื่องได้สามยื้อได้หกครั้งวิญญาที่พิสูจน์เป็นผู้แสดงวิญญที่ทายยกเป็นผู้แสดงนะครับเครื่องได้สามยืนอได้ห ทายให้เป voilà. ็นผู้แสดงนะครับทายให้เป็นผู้แสดงมายาครับกี่ครั้งครับกีครั้งใีท่าไก็้เนี่ยเนี่ยเป็นพันครั <y <y ้งหมื <oh ่นครั้งะครับกี่ครั้งไม่ได้ไม่ต้องยืมระทวงเลยใช่ไหมช้อยแหละครับจะมาต้องการจีอนพูดไปร้อยครั้งก็หนันีะที่ทายให้เป็นผู้แสดงมาทวงได้ไม่จำกัดนี่น แล้วก็วัยวัจจ ก, รการตองแทนที่เสนอตัวเป็นเองรและอันนี้นอั น, นละลามไปแล้ววัยวัจจการที่เสนอตัวเป็นเองกวัยวัจจกรล่าหลังของวัาแพทย์นี่ะทวงหด้กี่ครั้งครับ ส, สามครับมึใครไม่เห็นด้วยบ้าง <c oughs> ทวงไม่ได้เลยเขาไม่ได้ใึงปรการอุ้ง เพราะว่าเขาไม่ได้กลับมาบอกพระนะครับ เ, เขาไม่ได้กลับมาบอกพระอันที่สามเขเสนอตัวเป็นเองคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ใครก็ไปเอามันไม่ข้อวสัการกันเองดีไม่ได้กลับมาบอกพระอันที่สี่มีพระแทบไม่เรื่องเลยนะก็เป็นทำันเองและเป็นทวงเองแคดีแทบไม่ ร, รื่องเลยนี่<อ><อ>นะครับจําให้ดีนะต้องจําหลักตรงนี้ให้ได้นะพอเรียนมาถึงสิกขาบทนี่นะจํามาเลยมันจะเป็นจารที่ปิสุทธดง ที่ทายกสแสดงที่วิญยาณที่เสนอชูเป็นเองแล้วก็วิญญาณรับหลังนะแล้วต้องรู้ด้วยว่าแต่ละประเภทนะประเภทไหนทวงได้ประเภทไหนทวงไม่ได้ทวงได้เท่าไหร่นีงครับก็ต้องรู้เนะตรงนั้นถ้าตรงนี้นะไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านสิขาแบบนี้นะถือว่าไม่ผ่านใช้ไม่ได้นะครัสอบตงสอบตรง <c oughs> ส, ส, สิขาแบบนี้เนยครับถ้าเกิดว่าเองวิา คือเขาเาให้กับไอคนที่เสนอตัวเองใช่ไหมับแล้วคนที่เสนอตัวเองมาบอกว่าพอคุณเจ้ามีอะไรก็บอกนะอย่งนี้ถือว่าเขาเป็นเองนะใช่ไมัเเป็นคนบอกเองเลเขียนเขียน้อได้มเาไปเล่นเครับเขาบอกว่ามีอะไรบอกเข้าใช่ไหมไม่ใชต้องการอะไรบอกเรีบยนเข้ ช้พูดก็ได้แล้อาจารย์ใช้คำพูดได้ครได้เหมือนก็ว่าเข้ามาภานาตัวเองทีนนะ่ให้เราไปบอกเ้าได้อย่างนี้เราก็บอกได้ครับถ้า่นั้นถ้าเกิดเขาไม่บอกบอก็รับกต่ว่าพยายามพยายามมาบอกเราใช่ใช่เรียบร้อยเราไ ม, ม, า ม, ามา่มีปัญหาแต่ทีนี้บางทีเขาไม่มาบอกเรามีปัญหาเนี่ยบอกอะไรเงียบไปเลยนอ <laughs> <laughs> บอกแบบในรายที่ถวายหนะ ใหญ่เยอะๆหน่อยนะครับถึงจะมาบอกมาเยอะมาอะไรก็ไม่ได้มาบอกทำเนี่ยวิยาสิบประเภทนะครับโอเแท่งก็จะเป็นคโคจะพอทีแรกแต่ได้เกิดเรารู้วิธีแล้วก็บอกเขาให้เลยว่าฉันเอาเฉพาะส่วนที่เจอทสเลแล้วถ้ามีกใช่ครับก็คือถ้าไปวัดไหนก็ตามอย่างนี้ก่อนเลยครั บ, รบวิยาที่ าทายกนะครับเป็นผู้เสดงทายกหรือว่าทูตก็ได้อาเทนทายกก็ได้ดปเป็นผู้สแด<อ>สแดาครับทวงได้ไม่จำกัดนะทานอันนี้ทวงได้ไม่จํากั<อ>ดทวงได้สามข่าวนั้นไม่จํากัดทําไม่ได้ก็ให้คนอื่นทวงให้ก็ได้ทานอันนี้ข้อที่สองเนีย่ยพิเศษนะครับ เราทวงนูไม่ได้แล้วก็บอกผู้อื่นเขาให้ไปทวงเองก็ได้อาตังหลวงไปทวงหแต่ต้องต้องไม่ปรับต้องไม่อะไรเขาขยันแล้วทวงก็คือทวงจริงใช่งนี่ยแต่เนื้อตัวเป็นเอง ขไม่ได้ขายในข้าวางนี้ครับข้าวางปัสตีวายาลับหลัง ถ้าบินธรรมดาเฉยๆก็เฉยนะครับแต่มาที่จะจไปทวงเนี่ยมันก็อ้างไ้เนะอ้าเอก็ไม่ได้มนเราไปทวงแหละนะก็ะไม่ได้ครับไม่ได้มันมีแต่ว่ า, าอะไรนะไปบินธรามดน้มันเครืบบ่องสะอะรงพวกนั้นเช่นครับที่ไปยืนพอเข้ามาถามก็บอกเข้าคือเราไม่ต้องบอก แต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่มีนเลยที่นี่ของเรากติเลยไม่อดอะไรไปบ้านเนี่ยนี่ก็มีน้ำมันไมเป็นไรครับมี้ำมันธรรมดาแต่ว่าใจที่อย่างนี้ไม่มีช่อเลยตามติราก็ไปบ้านเขาอยู่แล้วใช่ไหมของเจ้าปกติเาก็ไม่ได้ไปวนี้เราเปลี่ยนสายจะไปถึงนั่นแหละคง่ายจะได้ครับใจจะทวงนะมก็ว่าไปยืนเลยใช่หมครับไปยืน ไม่ได้รับคนนด้นร้ดีกว่านีงจะลับัวรรับัวรครับต่อไปนะครับต่อไปมีจะสรุปนะเก่กับการรับครับถ้าจพูดตั้งแต่การรับบิงนะครับสะานะนะต้องรู้ใี่ดีนะแค่นี้นะครับไม่สะอานะมนก็รับไม่ได้ ถ้าจะพูดถึงเงินทองกันนะครับเทอ ง, องนะครับแบบ่งที่สามารถจะบอกวัยยาได้ก็มีนะครับถ้าบอกว่าถ้ามีใครใครนําเงินและทองมากล่าวว่าข้าพเจ้าถวายทองและเงินนี้แก่สงผู้อย่างนี้เลยนะครับถวายแก่สงเลยนะถ้าหลาหลายจงร้างอารามวิหารเจดีย์หรือหอฉันเป็นต้น อ, อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตางจะรับทองและเงินนี้แม้นี้ไม่สมควรก็ไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหมครับ เพราะว่าเขาเขาบอกว่าถวายสงฆ์นะครับนี่รับไม่ได้เลยอื่นะครับอเป็นทุกข์กอดแก่วิสุทธิ์แรงรูปหนึ่งผู้รับเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพ<ม>ื่อเ<ม>งินทองเนี่ยพอรับมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นนิสัยคีเสมอไปครับเป็นนิสัยคีเฉพอะรับเพื่อตอนเองนะ<ม>ถ้ารับเพื่อสงฆ์คณะหรือบุคคลนะ่ะ<ม>แรง บ, บัทุกรนะครับอืออยิง่งไปเสียคือรับเพื่อตน อย่าเช่เป็นเจ้าว่างมาที่ก็บอกผมไม่ได้เล่าเพื่อตนผมเลาเพื่อสองมาสร้างวัดสร้างวาสร้างม า, ง ส, า, ง ส, านสนะเนี่ยเนี่ยท่านก็ไม่ต้องสืกขีนตรงนั้นน ะ, ะเพราะว่าท่นรับเพื่อสออองบ์ที่จตั้งแบทุกข์ก่อนนี่ครับเนื่อ ท, ท่านจะบอกเอาให้ทายุกเอาไปจัด ก, การนั่ือู ตอนนั้นน like ่ะท่านก็เสกพรตนะครับคือขาวตธนเพราะว่ามันไม่ได้เก็บมาไว้ก็ไม่เป็นวัตถุไม่เป็นวัที่สแต่ว yes ่าครับมันก็มันก็ไม่ควรนะเพราะว่าพิจิตรพูดแจ็จแจงทองท่านจะพูดว่ามือกันนะไม่สมควรแก่พิจิุ่ลูกไม่สมควรพิจิตรั้งหมดเลยอืมครับแต่เนี่ยตอนนี้เป็นคาที่อยู่ในราษนะเนี่ย ตอนสัมมาาตีนั้นนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าก็คืใช้ได้นะก็คือไม่บอกนะครับบอกว่าไม่ไม่ยังไม่ปราบบาปเพราะยังไม่ปุญญาสถานพราหมือนก็จะถือว่าจะแบบพื่อกำลังบาณนะพอเราไปอยู่วัดแตหลายที่ใช่ไหมครับชาวบ้านก็เล่าไปแล้วก็ทําไปอย่างเงี้ยนะมัาสร้างวัดสร้างอารามนี้ครับคือถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยเอาไปมาเราจะไปเหยียบวัดเข้าไม่ได้ต้องไปถนนทางเข้าวัดเลยที่ ก็เหวงต้องใที่ซื้อหมดเหวี่ยวหมดเลยนะครับตีที่อยู่สนัส น, นะน้อนหมดห้องว่างเลอาแปลงมาที่ดินว่างเขซื้อนะครับเป็นนิสสคีหมดอะไรอย่างนี้นะะ่ะจะเป็นเหวี่ยงไม่น่า <c oughs> ท่านก็เลยว่าเอาแบบให้พูดกันพอพูดกันได้นะารับก็ถือว่างเนี่ยนะถ้าเรีย่ยงหน้าก็นล่งนะครับถ้านลี่งไม่ได้ก็หมายถึงว่าเนี่ยเกวี่ยวกลารไปน ะ, ะที่นั่นนะครับมันหมายความว่า ตรงนี้เน no anymore, point, well time, open, ี่ยเงินทองเราไม่รับอีกแล้วถ้ารีบได้ก็รีบนะถ้าเรีงไม่ได้แท่งก็ยังไม่ปะอักบัตถ้ามันจะเป็นต้องไปออันนะก็ก็จะมีวิธีอยู่นะมีวิธีแก้อยู่ว่าทำเป็นยังไงครับถ้าเป็นอย่างนี้นะอันก็จะบอกเลยก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นที่วัดเราเนี่ยเมื่อก่อนโบใช่ไหมครัก็เจ้าวัดคงเก่าอะไอย่างนี้นะถ้าก็ทาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเขาไม่เคยพี่นานแข่งขันใช่้หมถ้ารับมา แล้วก็มาสร้างโบสถสร้างอะไรอย่างนี้ครับและทีนี้ภาชั้นหลังมาทำยังไงตอนที่สมัยทางารผ่นเข้ามาอยู่กั น, นครับเ้าก็โยมที่สํานักก็มาผาติกรรมครับเอาผาติกรรมให้นะอากุฏิแล้วผาติกรรม้วกับกบสถ์แต่ตอนนั้นถึงว่าโบสยังไม่เสร็จหรือว่านะเสร็จได้ยังนะครับนั่นแหละก็เาผาติกรรมกระโบสถ์ครับกุฏ mm hmm. ิสองหลังนะครับอาจารไม่ผิดนะมาผาติกรรมกระบด แล้วก็ถวายคืนอะไนะครับนั่งภาก็น่าทั้งโบได้น้านั่งกุติสบายเลยที่วัพระธาก็มีเหมือนกันนะตอนตามสันตรีที่วัพระ่าตุทางก็มีปัญหาที่โบสนะครับก็ทกํนี่เขาอาตเก อ็หลายคนมาช่ว ย, ก, นะยกันหาติกรรมนะโดนแล้วหมือนตีราคาเยอะตีราคาเอแต่ว่ามันเก่ามากเลยเขาไม่ไม่ตีขนาดนันนะครับลองไปขาย <c oughs> โอ้ยสุดจะนายที่ว่าท่านรับซ้อมาบอนกนะครับเขาตีงพอประมาณนะครับ <Okay. S 1> ก็มีคนา่วยหาติกรรมกรณีที่พกไม่ได้จัดแดงเองแต่ว่าราับเองับแต่ว่าไม่ได้จัดแดงเองนีก่ก็จะพอไม่สูง ไม่ได้ จ, จัดแจงเองคือมยงว่าทาไม่ได้เป็นคนไปซื้อสืออิสตือสซื้อาไม่ใช่ใจก็ต้องบอกทายต้งบอกอะไรสิครับนั่นนะก็ถือว่า จ, จัดแจงหมดนะครับก็ต้องเป็นคนสั่งนะบอกใช่ไครับถ้าไม่บอกเาเไม่รู้นะอย่าน้อยสงบนชุมกันหมือว่าจ้าว่ามีนคนสั่งคงบอกใช่ไ้ครับก็ถือว่า จ, จัดแจงนะครับแต่ว่าถ้าเขากล่าวอย่นี้นะ ที่สุดปฏิเสธนะ้วใช่ไหงคัถ้เ า, เาเขากล่าวว่าทองและเงินจะอยู่ในมือของพวกช่งางไม้หรือพวกกรรมกรถ้าหลานจงรับสร้าบต่างงานที่เขาทำดีและไม่ดีอย่างเดียวดังนี้แล้วก็มองว่ในมือของพวกช่งางไม้หรือกรรมกรเหล่านั้นตืน่นติดไปจะรับก็ควรเพราะเขาใช้คําพูดถูกต้องนะเขาไม่ได้เอาเงินทองมาให้เรานะครับเขาบอก ว, ว่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในเงินของพวกช่างหแหละใช่ไหมครับ ให้พวกพีิจูสงเนี่ยรับทราบรับรู้การงานเงยนจ่คอยคุมคอยดูแลก็ได้นะแต่เงินทองก็จะให้พวกท่านอย่างเดียวครับพวกท่านคอยดีแล้วกันอันนี้ได้นะครับถ่าเขากล่าวว่าทองและเงินจะอยู่ในมือของพวกคนของผมเองหรือว่าจะอยู่ในมือของผมเองท่านเพิ่งส่งข่าวไปเพื่อประโยชน์แก่บุงคลผู้ที่เราจะต้องให้ทองและเงินแกออาแก่เขาอย่างเดียวแม้อย่างนี้ก็ควร ก็ได้เขามีปัญหาอันนี้นะเพราะว่าเขาบอกแต่ว่าให้บอกข่าวไม่มาสงขาวอไรครับต่อไปอันนี้น่าสนใจนะครับบอกว่าถ้าว่าพวกเขาไม่ระบุสงฆคณะหรือบุคคลไม่มีการแตะต้องตัวบุคคลนะอันนี้เราเป็นสงฆ์คณะระบุคคลก็แล้วแต่กล่าวว่าเขาเป็นเจ้าช่างหลายถวายเงินและทอง น, นี้แก่เจดีย์ถวายแก่วิหารถวาเพื่อเทวกรรมดังนี้จะปฏิเสธไม่ควรไม่ควร เอาปฏิเสธก็ไม um, ่ได้นะนะครับเพราะถือว่าเขาไม่ได้ระบุตัวบุคคลนะมับมันไม่มีปฏิเสธได้ทำยังไงเพิ่งบอกแกพวกกับปียากรว่าชนพวกนี้ก่าคนนี้นะคแล้วก็โทรบอกยมจะนงใจอะไรท้าบอกว่าไม่จะกอะไรเนี่ยโยมมีคนเข้ามาทำบุญเนี่ยแล้วก็พูดอย่างนี้นะ ว่าเราถวายเงินเนี่ยแกเจดีย์แล้วแกวิหารแกวัดเนี่ยถวายเงินให้แกวัดหรือเพื่อสร้างสติสร้างศาลาอย่างนี้นะครับแล้วก็โทรบอกยมงตุลงใจนิมยากันเลยก็บอกคําที่ทขาพูดนครับที่น่าแต่ถ้าไม่ปฏิเสธนะบอจะปฏิเสธไม่ถึงครัวครับแต่เมื่อเขากล่าวว่าท่านตั้งหลายจงรับเก็บไว้เนี่ยมีคํานี้เข้ามานะครับ ม, มื่อีไม่ได้พูดอย่างนี้นะบอกแต่ว่าจะถวายแ่เจดีวิหารเป็นต้นนะครับแต่นี่บอกว่าท่านังหลายเก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่เจดีเป็นต้นถือเธอเพงปฏิเสธว่าท่านังหลายเพิ่งปฏิเสธนะครับปฏิเสธไยว่าการที่พวกเราล่ามไว้ไม่สมควรเขาจะให้เราเก็บไว้แล้วก็เพื่อประโยชน์แก่เจดียเป็นต้นไม่ได้นะครับ ต, ตรงนี้หนะ้าที่ที่เคานพูดให้ฟังว่าบางทีทำํำไปอย่างนี้นะครับ ท่านก็ไม่ได้ให้บอกบายาเลยนะหมายเพราะว่าไม่ได้ให้แสดงบายาแก่ทานโยกเจ้าภาพมานนั้นนะครับว่านู่นนู่นไปสํำนักอะไรไปไหมนมจะดวงใจเลยอืก็ยังไม่ให้บอกองนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ถามหาบายาเองครับเขาไม่ถามบายาเขาบอกจะมาถวายท่านบอกแต่ว่าให้บอกกับพวกบายาพวกปกฏิาการแล้วแล้วเขาพูดอย่างนี้เองครับ<ม>อันนี้เราจะทํำยังไงดีวิที <c oughs> โทก็ไม่สะดวกถึงว่าชทไม่สะดวกนะถ้าโทรสะดวกก็โทรบอกไปเลยถ้ายังพูดไม่ได้อยู่แขกนั้นก็บอกแกไปเลยนะครับเนี่ยว่าพูดในคำพูดอย่างนี้นะและ้วจะทำยังไงที่อาจารย์พยายามท่านแนะนําก็แนะนําว่าบอกข้อได้อย่างนี้นะครับไม่ได้บอกให้เขาไปหาปัญ า, า น, นะบอกแต่ว่าให้ไปถามนะครับยองไปถามคนที่นู่นดูยองข้างล่างดูนี่น ะ, ะบอกแต่ว่าไปถามะครับ เรก็ไม่ได้แสดงวยญาใช่ไหมแล้วก็บกรดาฐานไม่เฉยนะครับต่อไปนะครับนี้เกิดยวกเงินทองถ้าก้อเงินทองถ้ามีถ้าคนบางคนนําเงินหรือทองมามากกล่าวว่าข้าพเจ้าขอถวายเนงะินและทองนี้แก่สงฆ์ท่านทั้งหลายจงบริโภคปัจจัยสี่เถิดถ้าสงรับเงินและทองนะั้นเป็นอาบัติทั้งเพราะรับ ทั้งความบ่อบนิโภนะครัมิ้ไม่ได้อยู่แล้วนะต้องปฏิเสธอย่างเดียวนะครับอันนี้นทีนี้ท่านก็จะพูดถึงว่านะครับถึงแม้ว่าสงนะทั้งหมดเลยนะจะร่ำหมดเลยนะครับเมียที่สู่รูปเดียวข้าไม่ควรท่ า, านได้ยเงไงลูกเล้าทองสงไม่ควรนะคำของ ม, มิ้นสู่รูปนั้นมันเป็นใหญ่ประมาณนะครับถึงแม้จะมีเสียงเดียว พ้อเป็นความเป็นมินายนะครับสงว่าสงส์นเป็นใหญ่ในธรรมนะเป็นใหญ่นอกคํานอกมินายไม่ได้นะครับอันนี้แต่ถ้าสงสทั้งหมดเข้าแฝงเขาไม่เล่าแต่ลูกเดียวนี่จะล่านะเอาเอาเธอหรือจะเล่าใครหนิงไม่ได้ก็ต้องคำของสงเป็นใหญ่คือคำของใครที่เป็นธรรมเป็มินายนะครับแม้แต่คนเดียวนะต้องคำของคนนั้นเป็นประมาณอืม ที่บอกว่าะทนเป็นอา บ, บัติเป็นอารเป็นาัทุกกฎนะครับืะเป็นอาบัติทุกกฎนะรับนบอกว่าอะไรนะที่สูนั้นที่สูบางรูปอ๋ัใช่ไมครับก็จะพูดว่าท้าที่สูนั้นน่ะรูปเยี่ยที่ปฏิเสธใช่ไมครับ ค, คนอื่นจะว่าท่านไม่ได้นะเพราะท่านทำถูกต้องรูปปฏิเสธสองล่ามหมดอีกท่านปฏิเสธนะ ท่านบอกว่าพิสูจนั้นอันพิสูจบางรูปไม่เคยกล่าวคำอะไรอะไรว่าเธอทำอันตรายรางของสงอท่านมาขัดราสงสงแท้เนี่ยโอ้ยเขาจะทวายตั้งสามล้านเนี่ยสร้างสระเนี่ยโอ้ยจะมาขัดรากสงน่ไม่ให้นะในนี้นะครับว่าท่านอย่างนี้ไม่ได้นะคือเพราะพิสูจใดโจรเธอพิสูจนะั้นเองเป็นผู้มีอามบัติติดตัวก็จะต้องบัติกลดนะพ่อเขาทําถึงต้องการทารําตามวินัยได้นะครับ ก็ไปวาเขาถ้าว<ร>า<ไ>ปด<ร>าปแล้วบอนนะก็หายก็ล้า่ยานไม่ทักมันจะเป็นการหมายถึงต้องด้วยข้อจบปาหืว่าต้องต้องด้วยข้อไหน <c oughs> ข้อไปวาเขาเลยสิ่งที่ไม่จูกต้องห า, งามามด้ไหนนแต่เธอรูปเดียวกับความพิสูจน์เป็นอันมากไม่ให้เป็นอาบาัตอืนนนะอันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ข้ามไปแล้วกัน ต่อไปต่อไปนะครับมาดูเรื่องเบืงหน่อยครับเรื่องเบืองเนี่ยเป็นยังไงก็บอกว่าถ้าใครใครกล่าวว่าเบืงใหญ่แห่งเสน่หเข้าวก้าสามรั้งของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าขอถวายเบืงใหญ่นั้นแก่สงเบิงถวายสงยนะถ้าสรับเบืงใหญ่นั้นเป็นอาบัตทั้งในการรับทั้งในการบริพ่อเหมือนกั น, นครับเนี่ยเบิงนี้ก็ไม่ใช่เงินทองนะ ว่าเล่าไม่ได้นะครับสาหาก็เหมือนกันนะถ้าเราบอกนี่นะครับเลาไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นอาบัติอะไรนั่นเนี่ยทั้งตอนเล่ก็เป็นตอนบริโภคใช้สอยก็เป็นนะครับแต่พิสูจใดปฏิเสธเบือ้งนะองใหญ่นั้นก็เหมือนกันนะใครจะมาว่าทำไม่ได้ใครมาว่าได้คนนั้นไม่ต้องโดนอาบาัต <c oughs> ินะครับอันหนึ่ ง, งนะครับถ้าผู้ใดแม้กล่าวว่าข้าพเจ้าถวายเบืงใหญ่นะครับพูดเหมือนกันนะแต่พอถูงภาพปฏิเสธแล้ว เขาก็พูดอย่างนี้นะครับว่าเบื้องนอนและเบื้งโน้นของสองมีอยู่เบื้งนั้นยอมสมควรได้อย่างไรเออก็ถามนะอ้าวแล้วก็สงก็มีเบื้งไม่ใช่นะตรง น, นั้นตรงนี้ก็มีก็มีคนมาขวายนะ อ, อะไรเบื้องนั้นทำไมสมควรได้ยังไงทําไมเวลาโยมมาขวายไม่สมควรเป็นความอะไรไม่ยอมเล่าเนี <c oughs> <ๆ>่ยนะครับก็เพิงบอกเข้านะครับว่า เขาจะทาให้เป็นกัปติยะแล้วถวายกระมั่ง์ฐานว่าอย่างนี้นะเขาก็ถามว่าเนี่ยถวายอย่างไรจึงจะเป็นกัปติยะก็บอกเ้าว่าเขากล่าวถวายว่าท่านทั้งหลายจงบริโภคปัจจัยสีเหอดังนี้นะครถ้าเขาพูดนามเนี่ยถวายใหม่พูดตามนี้นะครับว่าดีหลักสารของท่านทั้งหลายจงบริโภคปัจจัยสีเหอดังนี้ควรอยู่อันนี้รับมางอันนี้นะ ถ้าบอกว่าเมื yeah. ่อเข้ามาถวายเบื้องแรที่สุปปฏิเสธนะครับเขาก็ถามหาวยาอีกนะนี่ไม่ใช่เงินทองอย่างเดียวครับแม้แต่ถวายเบิ้องแรที่สุปปฏิเสธอ่ะเข้าสังถามหาวยาเบืงที่สองก็คือเบืงหนองหนองอีกอย่างนะสระน้ำนะเข้าถามหาสติยาการรอาขู่วายานะครับเมื่อพิสุตอบว่าไม่มีท่านก็บอกว่าไม่มียโย ถ้านี้แล้วก็บอกไปนะครับเขาจึงกล่าวว่าคนคนชื่อโน้นจัดจัด ก, การบุงนี้หรือว่าจะอยู่ในความดูแลของคนนู้นหรือในความดูแลของข้าพเจ้าขอสงจงบริโภคกับปิยพันธ์เถิดดัง น, นี้จะรับควรอยู่นะครับได้เหมือนว่าเขาจะจัด ก, การเองใช่ไหมเมืม่อคนนั้นคนนี้ช่วยจัด ก, การดูแลนะครับให้ประสงค์บริโภคกับปิยพันธ์นะสิ่งของที่สมควรครับที่เกิดมาจากบุงนี้อย่างเดียว อะไรที่สมควรที่เกิดมาจากบื้องนี้นครับมันก็ได้หลายอย่างนะบางทีข้าจากเบึงเนี่ยมันสามารถขายน้ำเข้านาได้ใช่ไหมครับเตรบึง ข, ของแกเนี่คขายน้ำของแกจะี่อยเสร็เก็บตังค์เขได้ครับเป็นค่าใช้จากอนั้นก็ได้หรือว่าอะไราตากที่เกิดในเบึงนั้นนะทีนี้นะครับบอกว่าถ้าทายกนั้นถูกปฏิเสธนะั้ะถือปฏิเสธว่าไม่ควร และแกผู้ีดคานีคะคราบว่าคนทั้งหลายจับบริโภคนะจับสร้างล้างสิ่งของพวกเนื้อและนกจับดื่มกินแม้การก่นี้ก็สมควรถ้าเขาใช้ได้เหมือนกันนี่นะต่อไปนะครับหรือว่าแม้เข้าไก่นี่นะถูกพระอิศุปฏิเสธว่าไม่ควรนะครับเข้าวกาวว่าขอท่านทั้งหลายจงรับโดยมุ่งถึงการถึงของสมควรเป็นใหญ่เถิด พิสูจจะกล่าวว่าดีละอุบาสกสองจำดึงนะจากสร้างล้างสิ่งของพั่วเนื้อและนอกจาำดึงกินและบริโภคควรไม่อควรนะพูดก็เป็นทาำไม่ใช่เป็นกับปียาคไปนะครับหรือถึงถึ ง, ถงขนาดเนี้ยนะเขาไม่ได้เปลี่ยนคนําเลยนะครับเขาก็มาบอกตรงๆนะว่าพราพุทเจ้าถวายบึงหรือสามบุคคลนีนี่แก่สงแต่พิสูจน์เป็นคนเปลี่ยนคําพูดให้ถูก หมายว่าพิะสูตจะกราวคำเป็นต้นว่าดีหลักบาศกสงเสริมลืมหน้าและบริโภคใช้สือจอยสมควรเหมือ น, นกันอันนี้น่าควรนะครับว่าเรื่อนท่าต่างในจักรที่มีบอกับส่กรที่มีบอกก็ถวายให้เป็นวัดอย่างเงี้ยอะไร่ะว่ามีบ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ถวายใหเป็นของสงฆ์นี้ท่าได้มาอยู่กันอย่างนี้นต่ากันอยางเงี้ย มันอยู่ที่คำพูดนะครับนั่นก็ถวายอะไรนะขอถวายอะไรอันนี้เขาบอกขอถวายสักเิ์ขอถวายบุญตอนนี้ก็เปลียนเปถวายอะไรก็ได้อันนี้มันเป็นบุญข้างเลยข้าใช่ครับอันนี้ะมันจะมีข้างหน้าที่เ้าถวายสวนถวายนาอะไรอันนั้นก็ไม่ได้นะต้องต้องปลี่ยนคำพูดกันครับต้องบอกถวายอะไรสำนักสงฆ์ที่พักสงถวายวัดถวายสีมาอะไรนี่ครับอันนี้ก็ ูดก <c oughs> อาไว้อะครแต่นี่เขาจะไม่ไม่โยกเยกกันอย่างนี้ไงเพราะว่านวมเป็นสัตถ้าจะเข้าไปอยู่ยังไงเขาก็เปลี่ยนไปว่าให้พระสงฆ์จงบริพอร่อสิ่ที่สมควรเถอะ น, นี่นะครับหรือว่าสงจงอะไรนะโดนดื่มน้ำส้มละสิงของอนะพวกนี้นะะ <c oughs> เขาจะเปลี่ยนคำอย่างนี้นอันนี้นะอันนี้พอประมาณนี่แท่ารแล้วทีนี้ก็ข้ามมาเนี่ยนะท่านกจะพูดถึงว่า ถ้าว่าพ่สุบารูปไม่เข้าใจร่บสระหรือสร้างสระเดือดกับปิยบุหันพิสุบางรุถ้าไม่รู้ว่ธีนี้นะร่บมาเลยนะครับยมขอถวายสนะในอบคณีนั่นก็ร่บมาเลยหรือว่าสร้างสระเดือดกับปิยบุหันยังไงก็แก้ท่านี้ไปสร้างเลยไปขุดกันเนะครับในดินกับปิยพันธ์วีแหละขุดไม่ได้เนอาบัตนั้นก็ไม่สนใจนะครับ รลุยไปเลยสมัยก่อนไม่มีแมกโครสมัยนี้ใช่ไหมมิสมัยนีย้พลาดขาบมกโคร <c oughs> ไปเจาะขุดเองเลยนะครับทำเองเลยหรื อ, อ, รอว่าใช้ผู้วิโยยาหรือเกณฑ์ชาวบ้านมาก็แล้แต่นะแต่มันได้ใช้กับปี้ยะวัวหานบอกให้เขาขุดดินตรงนั้นตรงนี้หน่อยนะครอ้าวชาวบ้านโมาช่วยกันขุดดินตรงนี้หน่อยอ้าก็สงจะสร้างสตร์สร้สางอะไรครับเนี่ยอย่างนี้นะเป็นกับเปี้ยววัวหานะครับ ศาสต น, นั้นพวกพิสุไ ม, u, ไม่ควรบริโภคใช้สอน<ม>นี้เขาใช้สอนไม่ได้พวกพ่อัอ ป, ปิยานแม้กับปิยาพาันธ์ที่อาศัยศาสตรนั้นได้มาก็เป็นอักบิยานเหมือนกันครับแม้แต่ของที่สมควรแะแต่ที่มันได้มาจากศาสตนั้นก็ไม่ได้มืนันนะครับพ่อไม่ถูกต้องังแต่แรกพวกปลาพวกอะไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หอ ม, อมอบุ้งดอกบัว จะเกะมาบูชาผ้าอะไรนี่ไม่ได้นะามาดื่มมาซักไม่ได้ทุกอย่างเลยค ร, บระบเนี่ยเ <c oughs> นี๋ยมีวิธีแก้ทรับเดนวิธีแก้เขาบอกว่าถ้าเจ้าของสระมีพ่อไปเลาะเข้ามาใช่ไหมหรือว่าเจ้าผ้าอย่างนี้ครับที่ก็ออกงบประมาณแจ้งแม่โคมาคุ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละถ้าเจ้าของสระคระ บ, บุตรหน้าที่ดาของเขา หรือใครๆอือผู้เกิดในสุงวงของเขาไหมคราบถ้ายังมี อ, งอยู่นะเจ้าของยังอยู่นะครับหรือว่าพวกลูกหลานอะไรเงี้ยนะยังอยู่ญาติย้อนไปยังอยู่ทราบว่าพิสุทั้งหลายสละแล้วจึงถวายด้วยกับเปียโุหานใหม่นะครับศาสตร์นั้นสมควรอคือพิสุก็จะสละนะเพราะมไม่สมควรไม่เคยประโยชน์อะไรใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับถ้าก็สง่าสลายะนะเราไม่เอาแล้ว ที่ี้พวกนี้เขาก็ฉลาบขาก็รู้ไงเขาก็เอาคืนนะครับถือว่าสงฉลาแล้วก็เอาคืนแล้วก็ถวายใหม่เมื่อถวายใหม่อย่างนี้นะครับหนูใช้กับพิยมุหาณ่าใหม่ขอให้สงเนี่ยจงบริโภคสิสมควรที่เกิดมาจากศาลนี้ใช่ไหมครับหรือว่าสจงจมบริโภคณอะไรอย่างนี้นะเป็นต้นนะครับใช้คําถวายเหมือนอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าว่าเนี่ยอาสกุลวงนะครับของเขานะยาก เขาบอกว่าเมื่อสกุลวงศ์ของเขาขาดศูนย์นะครับเจ้าของก็ตายลูกหลานอะไรก็ยังไม่มีครับหายไปไหนหมดไม่รู้นะทีนี้จะทํำยังไงนะครับผู้ใดเป็นเจ้าของชนบทครับเป็นผู้ <Okay. S 1> ผู้ใหญ่บ้าน <Okay. S 1> เป็นต้องทำกำนันอชไ ห, น, ชไหนะครับในอำเภอนี่ยนะผู้ใดเป็นเจ้าของชนบทนั้นคุณนะรีบเอาแล้วนะครับถวายคืนเข้าเป็นใหญ่เนี่ยรีบเอาแล้วถวายคืน เมื่อหน้าก็ไม่เห็นสีนามว่านุลาทรงลิบเอาฝ้ายน้ําที่พิสุในจิตต ร, ระดาล์มันพ่นชัดมาแล้วถวายคืนฉะนั้นแม้อย่างนี้ก็คูดคที่ว่าหารยานสมัยก่อนผมเคยได้ข่าวนะว่าเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับเรื่องบทเรืออะไรไม่รู้เนี่ยเพราะเมก็ ว, ว่านั้นมันมีอยู่เกาะ น, นะใช่ไมครับเขาก็ให้พูดเป็นใหญ่ที่นั่งยึดเอาแล้วก็ถวายใหม่น ะ, น, ะนะครับใช้วิธีอย่างนั้น <ขอ S 1> สามีคนคือเจ้าของเจ้าของสัตว์เข้าเนี่ยว่าใช้ทีนี้แต่ที่นี่ทำเมื่อคืใช้ขาติการก็ได้ก็ได้สองอย่างห้คูวาใช่ไหมครับแล้วก็ถวายคือ เรงอันนี้ราเรียนนี้ก็จะข้างไปนะเราปงครับมานี้เลยนะครับโอ้ยมานี่ไหนไหนแต่ตรงนี้เขาถวายเขาเปลือกนะครับตรงนี้ไหนเขาถวายเงินทองนะนี่บัง น, นะครับเขมือาเงินทองถ้ามองว่าอันหนึ่งนะครับที่สู่ใดไม่ได้กล่าวว่าพวกท่านจงไถ่จงหว่าน กาบพืชกาบพืชที่อย่างนี้ว่าโอ้ยชื่อตรงนั้นอันนี้ไม่เอามาี่อย่างตัวนี้เลยถ้าชาวนาะทั้งหลายนํากรหางปะหน้าเอาเงินเนี่ยมาถวายเลยนะครับกรหังปะหน้าเหล่านี้พวกผมนํามาเพื่อสงนาะมาขวายเลยที่สู่อรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยข้าจะอาศัยน้ํำนะที่จะมาจากส่งนะครับของสงนั่นแหละใช่ไหมนะครับ พอเขาก็ได้กําไรได้เงนได้ทองไปปลูกอะไรต่ออะไรได้ใช่ไหมครับก็ไปขายได้นะ mm hmm. ก็ะมีเมินีเข้ามาสวรรค์ข้าหนึ่งพิสูจน์ลูปดายด้วยหนึ่งกล่าวว่านคะครับท่านจงนําผ้ามาด้วยกถาหัปะเนะเท่านี้สั่งนะครับพรอันี้เ น, นี่ยถ้าค่านะของสงเนี่ยเข้ามาให้แล้วใช่ไหมท่านเลยจับแจงใปสังเลยนคะนครับยมเอามาสลินมาสี่สไตลโอไปฟอน เอาดีใจก็ต้องสิทธใจนี่นะสมมุนนะครับเนี่ยเอาเงินนี้นะไปไนะครับหา ม, ามัศลินก็สิทธิ์ใจจงจับข้าวยาคูเป็นต้นด้วยก ร, ระหนานาประมาณเท่านี้ด้วยความสำคัญว่าส่งไม่รับกรหารปรหนปัญะท่านเข้าใจว่าทำอย่างนี้นะส่งไม่รับเงินทองนะแต่ว่ามีการจัดแจงเงินทองใช่ไหมสิ่งของที่พวกเขานํามาเป็นอัปปะปียะมาแก่พวกวิสุททั่วไปนะครับไม่ควรแก่ใครเลย่ะคนับถามว่าเพราะอะไร ตอบว่าเพราะพิสุจัด ก, การการะหาปานะครับนี่ไงที่ไปจัดแจงเงินทองมาเนี่ยไม่กลัวอย่างใครเลยหรือเปล่าเพราะบอกเลยเอาเงินเนี่ยไปซื้อเน่ยซื้อเนี่หาเนหานี่มาใช่ไหมครับเนี่ยไม่กลัวอยางใครเลยทีนี้นะครับข่าก็ไม่เอาข่ า, างนี้นะไม่เอาเงินทองมาถวายแนละ้วเอาข้าเปือกมาถวายเลยครับาเนี้ไม่ได้สีเลยนะ <c oughs> ก็แบ่งเอาส่วนหนึ่งใช่ไหมที่ก็ต้องให้ค่าอยู่แล้วนะครับแต่เขาไมา่ได้หากับเปียวัตถุมานะ ก็ขนกุ้งเปลือกใส่กระสอบมาเลยนะแล้วขนมาวัดเลยครับกล่าวว่าเข้าเปลือกนี้พวกผมนํามาเพื่อสงฆ์ที่สิ้นในรุ่นหนึ่งกล่าวว่าโพวกท่านจงนําเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้มาด้วยเข้าเปลือกประมาณเท่านี้อันนี้ก็จัดแจงเหมือนกันนะท่านจะหาเนหาหนีมาด้วยข้าวเปลือกก็เข้าเปลือกเนี่ยไปแรกนั่นแรกมีหาเนหานี่มาแล้วก็สั่งท้องโดยในก่อนนั่นแหลสิ่งของที่พวกเขานํามา เป็นอัจฉริยะเฉพาะแก่ที่สูนั้นเข้านั้นเฉพาะรูปที่จัดแจงฉันไม่ได้ใช้ไม่ได้ลูกอื่นใช้ได้เพราะเหตุอะไรเพราะวิสูจน์จากการเข้าเปลือกเพราะเข้าสวนมาในเสีใช่ไหมแต่เปวัตถุทุกตนของาใครไปจัดแจงเฉพาะลูกนั้นน่ะที่ฉันไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับลูกอื่นก็ยังใช้ได้นะครับทีนี้ถ้าเขาเอานี่น่ะไปสีมาเนียบน้อยนะครับ ผลข้อสารมาอะไรนะครับนั่งเป็นข้อสารหรือว่าอัปปนาชาใช่ไหมครับนี่คืออะไรอัปปนาชาก็พ่วงถัวพ่วงานาครับนี่นะกล่าวว่าพ่วงผมนําสิ่งของนี้มาเพื่อสองฆ์และพิสูจนด้รู้หนึ่งกล่าวว่าพวกท่านจงนําเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้มาด้วยข้อสารมาเท่านี้โดยในก่อนนั่นแหละก็คือจัดแจงแห น, นะครับอันนี้มันจัดแจงได้นะเพราะว่าข้อสารนี้พระเขาเล่าได้ไเป็นไรนะครับ ในสามด้านั้นไม่ใช่อำนามากนะไม่ใช่ว่า อ, อยู่ตู้กดด้วยนะครับท่านก็เลยปัะกาศจ้งเลยให้เข้าสารไปหานะครับสิ่งนั้นสิ่งนี้มานะอ่าสิ่งของที่พวกเขานํามาเป็นกับปิย่างแก่พิสุทธิ์ทั้งหมดควรอย่าทุลูกเลยนะครับเพราะเห็นไรเพราะพิสุทธิ์จัดการเข้ า, ขาสารเป็นต้นที่เป็นกับปิยะนะคไม่เป็นอาบัติแม้ในเพรซื้อขายเพราะอ่าบอกกับปิยะการเราทั้งนั้นไม่เป็นอาบัติอะไรเนะ เพราว่าทําไม่ได้ซื้อขาเองทาบอกกับพิจากณารเราเพือนะครับเป็นแต่ในครั้งก่อนในี่ยท่านยกตัวอย่างมาแลอันนี้ฟังให้ดีนะอแต่ในครั้งก่อนที่สุรุ่มหนึ่งที่จิตตละดามันพจนได้กระทํามนทนรูปรวงจังเราเขียนภาพดวจังไวปนะมันจะมีภาพกระต่ายหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วแต่เขาเขียนเมื่อเลยที่พื้นดินนะครับใกล้ประตูสาลาสีมุกนะ ให้มาเหน็นแต่จางเนี่ตัวนั่นเลยเพื่อให้เกิดความเข้าใจจากพวกคนว่าโดยลำพึงว่าโอ๋เนอพวกคนว่าพึงทอดขนมประมาณเท่านี้ครับเพื่อส่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยทํานิดๆนะครับให้เขารู้่เนี่ยเนี่ไม่ได้พูดอะไรนะแต่มีาการอย่างนี้ครับว่าทานคนนี้อานังมีกระชนผู้ฉลาด น, น้อยโยงผูฉลาดนะเห็นมนคลนั้นคืลรูปวงจันทร์นั้นแล้วนะครับ ได้ทํำอย่างนั้นนะครับก็ไปทอดขนมมาเลยนะในวันที่สองเมื่อพวกเขาตีกรองประชุมสมแล้วเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงตีกรองนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตีนะอันนี้พวกคนว่าเขาตีเองครับจึงถือขนมไปเรียนพระสังฆศีลอาว่าท่านคอเล่าในการก่อนนี้พวกผมไม่เคยได้ยินบิดามารดาไม่เคยได้ฟังปู่ย่าตายายบอกเล่าเหตการณ์อย่างนี้เลย พระกุญจารูปหนึ่งน่าจะทำเครื่องหมายที่ประตูสาลาสีมุกเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ขนมท่านก็ไม่เคยพ่อแม่อะไรหรือปูย่าสยาเไื่อเคยบอกกล่าวมาเลยนะว่าเคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยอันนี้เขาเพิ่งเห็นกันนะครับขรั้งแรกในชีวิตนี้น ะ, ะบาตรนี้จําเดิมแต่นี้ไปพระกุญจาทัึงหลายจงบอกทางความพอใจ ข, ของตนของตนเถอ อยากจะได้อะไรก็บอกเฮ้อไม่ต้องไปทําอย่างนล้วไม่ต้องไปว่าหรอนะครับ <S <S แม้พวกผมก็จังอยู่เป็นหาสูบถ้ามาหาเสนะกลับจากที่นั้นทันทีนะครับแม้ที่สู่รูปหนึ่งก็ไม่รับขนมนะเพราะว่าเขาไปทํานิมิตบางทีมัับนก็นนมีก็มีใครเล่ามาชันเลยนะครับไม่ได้นะถึงกาเป็นคนว่าจริงใช่ไหมครับเหมือนเส้นสำนักนี่ น, นะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ปลอมานนะเนี่ยตั้งสมก็อะไรไม่ได้ใครบอกอะไรไม่ได้นะครับมาทำนิมิตก็ไม่ได้นะ นอกจากเซนัสนาใช่ไหะครัที่ทํานิมินได้ไนะแต่ขอาหารนี่ไม่ได้ครนะับต้องเรียนเซนัสนาครับเนัสนาได้ไนะครับเนัสนแต่ขอต ร, ต, รตรงตรงไม่ได้ไนะ <c oughs> มีศุภาภาพมีคถาได้ไนะ <c oughs> เนี่ยถ้าบอกว่าในการก่อนที่สู่เทวายย่อมไม่ฉันแม้ขนมที่เกิดขึ้นในอารามเมื่ออย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่สู่ผู้ไม่ประมาทไม่ละการปฏิบัติขัดเกล้า ไม่พึงกระทาําความโลเลเพื่อประโยชน์แก่อามิ t h แม้ในสิ่งที่เป็ น, ปนกิจะชะั้นนี้แลนะครับนี่กะต้องระวังให้ดีนะครับอันหนึ่งแม้ในสามบุคคลนี้ายและเหมือนเป็นต้นก็มีในดังในที่กล่าวและในศาสนี้เหมือนกันก็เหมือนกันนะครับสามบุคคลนี้ก็ดีสายก็ดีเหมือนก็ดีนะใช้วิธีเดียวกันก็มาสมายในตรงก็รับไม่ได้ ก็ใช้กับเปี้ยวมานนะครับไม่สมบริโภพถึงที่สมปัวใช่ไหมกับเพี้ยวพันเนีหรือว่าบริโภคน้าอะไรนั่นนะแน่นสานนั้นเนี่ยนี่ถ้าพูดต่อต่อไปเรื่องสวนเรื่องนานะนี่มาแล้วนะถ้าบอกว่าแม้เมื่อชายกล่าวว่าข้าพระเจ้าถวายนาหรือว่าสวนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่เพาะปลูกพรรธชาติปลูกข้านั่นนะนะครับ อ่ปาป aranacha อ้อยนะมาพร้าวเป็นต้นที่สูตรพึงปฏิเสธว่าไม่ควรนะครับเลาไม่ได้นั่นจะเป็นมรดกตกพ่อพ่อแม่เนี่ยอาจจะพ่อแม่ตาย แ, แล้วแต่นะครับญาติพี่น้องก็แบ่งมรดกกันเขาก็ถวายส่วนให้ท่านห้าไร่นี่เอาโคตรงๆเลยนะวถวายเนี่ยถวายสัวให้พี่นะห้าไร่ส่วนแบ่งพี่เอาไปเลยถวายส่วนนี้หรือถวายนาว่าไปะครับอย่ายนงนี้ไม่ได้นะ ใช้คำว่านานหรือส่วนนี้ไม่ได้สุทคุณปฏิเสธว่าไม่ควรครับแล้วาบอกว่าแค่ไม่ใส่รองเทาวายตั้งแ่งๆไม่ได้นะโอไม่ได้ไม่ได้ต้องกระเปี้ยวโบหานอย่างนั้นให้ขาเงินใหม่เงนไม่ไม่ไใกระเปี้ยบแล้วปฏิบัติยูนะนะก็ทำเอกสารนะครับบอกมีคนปฏิเสธอย่างเดียวนะทีนี้นะเมื่อมันจะได้ตอนไหน ในเวลวาเขากล like Ma. ่าวด้วยกับปิยมุหันว่าข้าพเจ้าถวายเพื่อประโยชน์แก่การบริโภคปัจจัยสี่เนี่ยต้องพูดอย่างนี้นะนะครับถวายเพื่อประโยชน์แก่การบริพ่อปัจจัยสี่ครับิสุควรรับนะครับเนี่ยเขาบอกถวายนะถวายสวนสิเนี่แต่ว่าเพื่อประโยชน์แก่การบริพ่อปัจจัยสี่รับได้ก็เมื่อเขากล่าวว่านะครับข้าพเจ้าถวายสวนอันนี้สัพาษารมรีเป็นว่านั อันนี้วมนี้เปลี่ยนนะเมื่อได้กี้ลำสวนลำไปมัตถุเป็นสวนจริงๆแต่นี้เปลี่ยนเป็นขอถวายป่าหรือถวายอารายังครับคือป่าเหมือนกันนะไม่รู้แตกกันยังไงครับป่าหรือว่าสวนป่าก็แล้วกันนะแล้วแต่ครับบอถวายป่าขถวายสวนป่าเมือ่อคืนป่าเลยอันนี้จะรับไว้นะครับหรือบอกว่าขอถวายที่พักสงฆ์ขอถวายวัดขอถวายสีมาขอถวายอารามครับ คุณรันร์นั้นนะเขาไม่รู้เรื่องถ้าเป็นยากพี่น้องแนะนำได้เลยบอกให้เลยอืใช้คำพูดที่มั่นคงนะต้องเปลี่ยนมามันกับนักศึกานะถ้าไม่ใช่ยากพี่น้องเราจะบอกไหมอ้าวต้องรว่าเข้าถามก่อนนะไม่อยากพี่น้องเราอ้าวเขาบอกอ้าทีสวนของสงนะแต่ยังมีนะทำไมเล่าไม่ได้ทำไมของโยมเลําไม่ได้นะแล้วก็บอกโอ้เข้ากงถวายในคำพูดที่สมควรโยมก็จะถามว่า คำที่สมควรเป็นยังไงแล้วก็บอกไปชไครับครับถ้าเกิดเขบอกไม่ระ บ, บุว่าเป็นสงอย่างนี้นี่ครับเป็นของเราใช่ไหมไม่ระ บ, บุว่าเป็นสงอะไรใ่ไหมครับไม่มีระบุตัวบุคคลใช่ไหมใช่นะครับบอกแต่ว่าถวายวัตอย่างนี้นะถ้าบอกว่าพิสูจไม่ปุ ป, ปฏิเสธครับจะปฏิเสธไม่ได้ชนีดไหนก็ทําเหมือนกับอะไรนะ มันกัเงินทองเมื่อกี้ลยครับแล้วก็บอกอะไยังกบเ้หานี้ครับถวายบัลังถวายข้าพเจ้าถวายเพื่อประโยชน์ในการบริโภคปัจจัยสีที่ตุกวนลอครับอันนี้เข้ามาถวายข่านไหนนะแต่เขาช้พูดอีกอนอันนี้ได้นะทำทุกอย่องกับเย้าหาได้อยู่แล้วนะแล้ว้เขให้กระุ็เป็นของเราเลอันนี้ได้ก็เป็นของเราครับทำมา ตอนนี้กับเบียร์หายได้เลยครับําได้เลยทีนี้เราตัดฟันอะไรติด อ, อันนี้เอ า, นะาไปทานไปเอาเท่าไหร่ก็ได้นะก็คล้ายกันหลายที่นะครับบอกว่าถ้าโพวกชาวบ้านไม่ได้ถึดที่สุดบังคับเลยตัดต้นไม้นะครับในป่านั้นนะไม่ถึงที่สุดสามไปทําันเองนะครับยอดพลจจุบันชาติจะได้ถึงพร้อมแล้วเข้าก็ไปถางป่าอะไนะครับ ปลูกท้งไร่ปกอะไรก็ว่าไปนะนะครับถวายส่วนแกพิสูจนทั้งหลายจะรับก็ควรนะครถวายกับพิญญาพันธนะเกิดจากตรงนั้นนันี้รับได้พวกเขาไม่ถวายไม่ควรทวงไม่ควรเตือนนะครับเข้าาจครับที่เขาถวายเนี่ยเนี่ยที่วัดเขาแจกไอไอที่สวนที่มณฑกี้นะครับนาสวนมณฑกีนครับม แนวสือมนุษเกยที่เขาใช้พูดเป็นกับปีย่าง น, นะครับแต่ไม่ใช่ที่ว่าถ้าที่ว่าไม่ได้สิ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่ายงวายาให้จากการนะครับหรือ <c oughs> แม้แต่บอกเจ้าหน้าที่นะครับที่มาช่วยก็ได้นะแต่ต้องบอกนี่คำนี่เป็นกับปีย่าง น, นะครับไม่เข้ามาจับมาอะไรนะครับอ <c oughs> มาจับมาอะไรไม่ได้นะเนั้นผมไม่ได้พูดในฝังนะครับ <c oughs> ไม่ได้พูดในฝังเกี่ยวเรื่อง <c oughs> ใน อภินาทานั้นจะพูดถึงเขาขอการราคาบอกจะว่าขอการราคาใช่ไหมครับมีคนมาทำหนึง่งอย่างนี้นะเขาใช้หนุ่อย่างนี้นะให้ยมเชื่อไปดูหน่อยอย่างนี้หวังว่านีา้นะแต่มไม่ให้ไปทำอะไรเขไปทาอะไรไม่ได้ขอการราคาจร้ เขาข อ, ขอาการรักษาไม้ได้แต่ยายไปบอกว่าให้ไปอ่าไล่จำไล่ไงไม่ได้ไันเป็นหรือมันไม่ใช่เร้งงนะอาารงสอบปได้ไคืครับนขอการรักษาใส่ได้ครับต่อไปถ้าอันนี้้นทงไงถ้าพวกเขาพาย อ, อพยพไ ป, ออ พ, ไปพวกแรกนี่อพยพไปพวกอันตรายบางอย่าง คนพวกอ่นามาทำนะครับแต่พวกอื่นที่มาทํานี้ไม่ถวายจะพ้านลยครับทำฟรีสบายข้าจะไมรู้เรื่องนั้นก็เลยไม่ถวายท้าเลยทั้งที่ยันเป็นของสงฆ์ข้อละแยะนะ <c oughs> ครับอก็คนห้ามโชวเหล่านั้นห้าก็เลยถ้าพวกเขากล่าวว่าแม้เมื่อก่อนพวกชาวบ้านได้กะทําเข้ากล้านในที่นี้ไม่ใช่บุคลากรชาวบ้านก่อนก็ยังทําได้แต่พว้โยมมนทําไม่ได้ล่ะ แล้วก็บอกเข้าไปนะ้วว่าพวกนั้นเขาได้ให้เสปตย์พันอย่างนี้อย่างนี้แกส่สองบอกไปถ้าพวกเขากล่าวว่าแม้พวกผมก็จะถวายอย่างนี้ควรอยู่ครวรเหมือนกันนะอะพวกเขากลา่าวหมายถึงภูมิประเทศที่พเพาะปลูกข้าวกล้านนคือเป็นที่นาที่สวยนะะที่ปลูกข้าวกล้างพวกถัวพวกนายแล้วแต่ครับบางแห่งว่าข้าพระเจ้าถวายเขตแดง ใช้กำว่าสีมาสีมารก็เข็ดแดงอันนี้อย่างในดีการบอกว่าควรอยู่ไม่สูทธิภาพได้นะครับเพราะเขาถวายในคําพูดว่าเขาใช้คำพูดในคทำนองเป็นที่พัก น, นะครับใช่ว่ามีหารก็ดีนักสีมารก็เข็ดแดงก็ดีนะคำว่านี้เหตุบอกว่าเป็นที่พัก น, นะครับท่านก็ได้แต่ที่สุดท้ า, ายไม่ควรปักเสาหรือวางหินเพื่อกําโดดเข็ดแดงเอง รผมก็ทําเองนะเ <c oughs> พราะเห็นไรเพราะธรรมดาว่าแผ่นดินมีค่านับไม่ได้แพงมากนะแค่ตารางไม่อตารางมาเล่นไม่ได้นะครับพิสุทจะพึงเป็นปรารชิกไหมได้เห็นเล็กน้อยแต่พึงบอกพวกคนวัดว่าเขตของพวกเราไปถึงที่นี่บอกเข้าไปนะครับ <c oughs> อ่าก็ถ้าแม้พวกเขาถือเอาเกินไปไม่เป็นอาบัติเพราะกล่าเลยปริยายใช่ไหมถ้าชายก็มัน ไปกินที่ชาวบ้านก็แล้วแต่แเราก็ไม่เกียกเก่ยวแล้วก็ไม่ให้ไปไปปักนั่นนะครับถ้าก็ไม่ต้องอาบัตรนะแล้วก็ไปหมบอแ ก, กใหม่ก็ได้ว่าที่ว่าถึงแค่นี้แค่นี้นะครับก็พระว่าพระราชาและราชอาณาจักเป็นต้นให้ปักสาวเองแล้วถวายว่าขอเนื่องหลายจงบริโภคปัจจัยสี่เธอการถวายควรเหมือนกันะนะครับทุกทอันนี้ข้ามมาเลยต่อไปที่เรถวายท่าถวายคนวัดมล้วก็ถวายประสุสั ถ้าก็าบอกว่าขา้าพเจ้านะครับถวายท้าการถวายนั้นไม่ควรเนี่ยท้าจะรับท่าไม่ได้นะท้าสีท่าสานี้ไม่ได้เพราะนันนะครับเมื่อเขากล่าวว่าขา้าพเจ้าถวายคนวัดเป็นคำพูดนี่นะครับถวายวายังพระเจกาถวายกับปิยาการโลกดังนี้จึงควรนะครับเี็นคำพูดใหม่รับหน้านะครับต่อไปนะครับเป็นข้างในนะอผู้ชาวบ้านกลาวว่า แค่เงี้ยเลยครับตรงมาถวายโคก่อ น, นะครับพวกเขาถามว่าพวกเขาพระเจ้าถวายโคทั้งหลายอย่างนี้ที่สุดต้องให้บัมเบิลนะครับอถ้าเขาถามว่าเนี่ยโคเหล่านี้ถ้าได้มาสามในวันจเห็นมีวัวในหลังวันอย่นี้ี่แล้วได้ามาจากไหนลนะ่ะทำไมโยมถวายปฏิเสธเลยวนะ่าไม่ได้ครับก็คุณบอกคําว่าพวกบัณฑิตถวายไว้เพื่อประโยชน์แก่การบริโภค ป, ปัญจโครน เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครัเมื่อเขากล่าวว่าแม้พวกผมก็ถวายเพื่อบริประโยชน์บริพภวปัญจโครดังนี้ควรอยู่ได้ครับแม้ในประจุสารที่เหลือมีแพร่เป็นต้นก้อย่างนี้นะครับไดก็บอกว่าถวายแต่ว่าเพื่ออะไรน่ะเพื่อให้ได้ครับสัตว์เลี้ครับถวายเพื่อให้นมครให้พระสงฆ์ได้บริโภคได้ฉันรับพวกนมไม่ได้ในชะ่ไหมครับอ๋อไม่ได้ไ ปัญจโคโลอดก็มีนมสดนมส้มนะครับในสายตัวเมียในข้อนตัวเมียนี่นมอ๋อไม่ น, น, น่ามูตัวเมียไม่ได้ครับไม่น ด, ด, ด, ด, ด้ทีนี้นะครับถ้าเาถวายมากตรงนั้นล่ะถวายช้นงม้าข้าวระเบือไก่สุกอ้อนี่นะอันนี้ก็เราไม่ได้นะครับเนี่ยเอาครับไก่สุกอ้อนเอาไก่มาถวายวัด ถวายผ้าอะไนะครับทำไงดีล่ะถ้าเขาถามว่าท่านขอรับขอท่านนังหลายจะเป็นพู้ขวนขวายน้อยเทินพวกผมจะรับตัดเหล่านี้แล้วถวายกับปิยพันธุ์แก่ท่านั่งหลายแล้วรับไปอันนี้ย่อมควนนะครับมีเจ้าแรกเข้ามาถวายใช่ไหมจะมีคนอื่นเข้ามาพูดกับเราอย่างนี้นะครับว่าท่านนะครับพวกเราจะจัดการเองนะให้พระสงฆ์เนี่ขนขวายน้อยเทินแล้วก็ถวายกับปิยพันธุ์ครับ ผมจะรับเร่อ pues, <inander> oh, ี <one> ้ยงเองพี่อะไรนะครับมีโยมมาล่ำเี้ยมาล่ำแงแทนะรับอะนแงกินเลยแงให้กินเลยจะสบายกับปย้ญนคือเนื้อวัวออย่างี้นะีเลยูกกุมองอชิดสมังสารอย่างมี่นะไม่ได้าหานั้นไม่ได้หานั้นครับออ <im it> ตั <afraid> <im it> ้งให้จบตัง <im> น <it> like ี <im it> problem, ้กันนะเรีนเบียนะับตรงนี้นะครับย่อมควรและก็อีกคํานะครับจะปล่อยเสียในป่าด้วยป่าว่าไก่และสุกรเหล่านี้จะอยู่ทางสบายเถิดดังนี้ก็ควรนะครับนี่ก็ไหนนั้งบอกโยมปล่อยเข้าป่ามาเลยเข้ามาเลยเข้าไปเลยครับครับขรับนันะครับนี่ครับ เมื่อเขากล่าวว่าพวกขะเจ้าอะไรนี่แค่อันนี้แค่นี้นะครปล่อยเข้าป่าให้มหากินเองตามธรรมชาติเถออย่างนี้นะประสงค์ไม่รับนี้นม่ยมแต่ว่าที่หลังวัดอะไรมันก็มีที่มหากินได้นะเนี่ยมันก็จะอยู่ใต้เขาปอบเนี่ยมันก็มีมือทีมคนะพ่อแม่อะไรเขาตายที่บ้านผมนะครับพ่อแม่เขาตายหมดเลยได้การเลี้ยงไก่ไว้เนี่ยคนตายแล้ว แล้วไม่มีใครอยู่ในเข้าบ้านนะลูกหลายก็แยกแย้ายก็ออกไปมีโผลมีอะไรหมดแล้วนะแต่ก็มีนุ่สายอีกคนหนึ่งไปทํางานในจังหวัดเราต้องกลับมาเนี่ยขาก็ทําทงานในเมืองนี้นะแกว่ไม่เลี้ยงไก่อยู่แ้วนะครับแกก็ไม่ขานก็ไม่อยากจะข้านะก็ก่ามาปล่อยว่างเลยครับนี่นะเนี่นะยมปนเนื้อสถานะีครับมนุว่างมีใครอยู่หรือเปล่าตอนนั้นนะแล้วก็มาปล่อยทิ้ไว้ มันอาจจะมีในกรณีนี้ได้ไหครับแล้วไม่ได้ปจิบัติถูกนะทำยังไงอันนี้ก็ได้นหมก็ฟัข no> ึ้นกันนะครับถ้าเกิดว่ามิให้ท่านโจทย์เหตที่บอกว่าเข้ามาในที่ส่งแต้องมาทำายอะไรัาตีอรอย่างนี้ว่า เข้ามาในเขตบ้านพี่วนมันเป็นสวนเป็นไรของสองฆ์เนี่ยที่แบบมันอยู่ที่นี้นแต่เขาบอกถาวายได้กับเปียโมหานนะครับไม่ได้อยู่ในวันนะครับคือก็เขาถวายสวนไม่มได้อยู่ที่เราอยู่นะครับอใอครับถ้าโอ้ยมาบุมรุ่มว่างไรเนี่ยก็ต้องขอการละขาถ้าวายสวนครับ ข้าทีอย so yeah. so ู like ่นู devant, ่นนะสวยอยู่ตรงนู่นตรงนี้นครับถ้าถวานี้มีเตียงก็ปอยู่่ได้สงกรานก็อยู่ได้ครับเมื่อไรที่เราก็้าไปอยู่ก็ก็จะจัดใหเป็นวัดแต่ห้ยังไม่เข้าไปอยู่ก็จะเป็นป่าเป็นอะไรตามไวายก็มีที่บ้าผมนะถ้ามีสวนลำไยนี้ทำไว้ครับทำไว้หนักนะไม่ใช่ เขาก็ทําเหมือนที่โยมก็ทำแหละมีลูกมีผลออกมาแล้วก็ไปขายแล้วก็เอามันมาขึ้นมอญขึ้นมอญเมื่อกี้นักข่ายถามกระเทียมนะกระโทงกระเทียมไอ้ถามั่าไงทําไมพลาดใส่กระเทียมไม่ได้ครัอ๋อก็มีเรื่องอยู่ตอนนั้นน่ะพิสูจน์รูปหมืนแกถันกระเทียมพอฉันกระเทียมเข้าไปนะมันก็กินแรงใช่ไหมกระเทียม่ะมันกิ่นปากเวลาไปฟังคำปุ๊บท่านก็ไปอยู่นั่งท้ายบริษัทเองครับ ผู้ยุตจ่าก็เลยตัดถามหมายว่าทำไมรูปนั้นน่ะเข้าไปนั่งหลังบริษัทรูปหลานก็บอกว่าเนี่ยรูปนั้นฉันกระเที่ยวก็เลยไม่กล้ามันข้าหน้าข้างหน้าเลยก็เลยไปนั่งหลังนู่นเลยนะพงศ์ก็เลยจำได้ประมาณนี้นะคือการฉันอะไรเข้าไปแล้วนะทําให้ห่างเหยื่อในพระัทธาไม่รด้ไม่สามารถจะมานั่งต่างๆใกล้ๆได้ต้องอยไกลๆนะไอ้สิ่งนั้นมันไม่ควรฉันนี่ครับเหมือนนะ แล้วพรองก็มันอยากเสีขาวขึ้นมาพิสุทธิ์ฉันกระเทียมก็ต้องบัตรทุกก่องนะครับอืเรื่องนี้มาอย่างนี้นะขอพิสุทธิ์นี้ก็มีก็เรืพิสุทธิ์นี้ก็จะเป็นนแบบไปตีเลยเขาจะหนักกว่าครับของพิสุทธิ์นี้เลื่องอีกแบบหนึ่ง น, นอกจากว่ามันใส่แกงไปแล้วนะครับไปใส่ต้มแกงเรียบร้อยนี่นะ น, นั่นไมนเป็นไรนะครับ แม่อาชาอา้าไม่มีนครับก็ตอนตอนนั้นไปพม่าเวลาไปไปถามว่าถามพระอาจารย์อยู่ก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโลกหลวงที่ตครัาเข้าไปใส่แกงใส่ข้าวนี่ครับไม่เป็นเมฆมาเนี่ยเดอ๋ยวนี้วันน้บัตรน่ยนะวันนบัตรมีหรล่าก็ท่าเองก็หาขอี่เป็นอะไรครับอ๋อไม่ได้กินครัอันนี้เรากินครับ อยู่ในวัดที่หนึ่งในั้นของไปตออกิสุนีนครับายาพระนักี่คุณีรันังขาเทยยะปาจิตยังอหนึ่งพ่สุนีใดคือเคี้ยวฉันกระเทียมนะครับต้อแบบปาจิตีนีฮนะลักษนังาเทยยะปาจิตยังครับม ไ, รไม่ได้เลยออกพิสุนีเรื่องมันเกิดอย่างนี้มีคนมาปลวนะพิสุนีนื่งกระเทียมนะให้ออกไปได้นะครับ วั น, นี้เวลาพิชชนี้เขาต้องการเพิ่มก็ไปขอสิพอไปขอก็กระเทียมก็ไม่มีค่าได้เอาที่สว น, นะครับพอเอาที่สวนปุ๊บนะครับอ้อนเข้ามาเยอะแยะเลยนะเยอะมากนะครัขบขนมนาม <c oughs> เกจะหมดแล้วมั้งสวนขนาดเข้าเลยเป็การแข่งทอดตดเตียงนะครับนี่ไม่ได้เลยนี่นะอาณาบัตน ะ, ะต้องบอกว่าเ อ, อกระเทียมเหลืองกระเทียมแดงเนี่ยไม่เป็นอาณาบัต กระเทียมขาวกระเียมเขียวไม่ใ่ถงกระเทียมเขียวนี้เป็นครับกระเทียมต้นไม่มีเยื่อกระเทียมที่ปรุงลงในแกงปรุงลงในเนื้อกระเทียมเจียวน้ํามันอะไรนะครับกระเทียมเจียวนะกระเทียมที่ปรุงลงในพุทซากระเทียมที่ปรุงลงในแกงอ่อนวิเคราะห์จิอาธิกรรมไม่กางไม่ต้องําบัตเลยไม่มีอาพาธครับไม่มีอาพาธนะแลัว ยาผ่านพีน่วะใช่แล้ว่ิครับเป็นผม้สเป็อนเหมือนเคยเห็นะไม่ได้ใจครับดูดานะว่าไงตอนที่โมคลาท่านเป็นโรคลมครับ ต้องดูว่าตอนนั้นรื่อยังสขามือนกีอย่างครับสิขาบอกมีแล้วอืมอีตัวนี้มีมีตัวนี้อัน้าม่มเหมือบอกเลยครับครัอันนี้น เ, เ, เป็นของนาี้ครับครับถ่าจะเป็นศาสนาแ่ว่าอสูน์านครับของสูเป็นธรรมบัทุกกฎครับมันมีหลายที่นะที่มีเป็นธรรมบัตจริงจริงแต่ของสูจนเป็นธรรมบัาาทุกกฎ ในขอบค้อด้วยนะความจริงหลายๆที่นะครับในคุตการของพิสุรยไม่ค่อยมีของอธิบายไม่ค่อยเยอะเท่านะแล้วก็ไปดูเทียบของพิสูนีเลยนะครับที่ว่าเป็นอามบัตเหมือนกันนะขอบฉันกระเทียมโอเวอร์เลิฟก็ได้ครับ อ้วาวครับเอาไม่ใช่ไปดูทีหลังนะใช้เวลาเยอะทีนี้เอาถา ม, มาผมเยอะหมจะถามหมถามบ้านเนี่ยเ <c oughs> ตรียมตัวอะไรนะเตรียมตอบเลยมีอยู่อ่าสิบสีข้อด้วยกันนะครับในจีวรละว่างเนี่ยนะพอดีผมไม่ได้ถามปัญหาในสาระพิเศษเลย เดี๋ยว่าจะต้องถามกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ถามนะมันก็ไม่ค่อยได้ทวนใช่ไหมครับควาก็จะเรียนไปเรียนไปนครับพอได้ถามมันก็จะได้ทวนนะนะครับได้ทวนถึงไม่ได้ทวนตอนไหนก็มาทวนตอนนี้แหละ <c oughs> <c oughs> การทวนไปในตัวแล้วก็จะช่วยทำให้จำได้ดีด้วยนะครับ <c oughs> ต่อไปข้าวถามข้อแรกเลย อันีสงกระถินมีกี่อย่างอะไรบ้างครับคืออธิบายให้ก่อนรับว่าเรื่องอะไรเที่ยวไปเรื่องอะไรแบบไม่ต้องลาคูบานจางอะไรอยู่ไปไหนก็ได้ในการนิการกินิมนต์นเป็นยังไงครับนะกินนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้วก็ไปที่หกิที่หนึ่งไปแ อัน<ห>นี้หมายถึงกินิมมอนเป็นลักษณะไหนเขาเข้าพูดยังไงครับนี่อยู่ที่กินนิมมอนด้วยครับคําขพูดของชายอ่อมออกชื่อโคชนาะรับถ้า<ช>ไม<ห><ช>่ออกชื่อโคชนาะก็จะ<ช>ไม่เข้า<ช>ครานี้นะครับเป็นกินนิมมอนที่เ ข, าขนะ้าออกชื่อโคชนาะใช่ชนะชไหมครับที่สุดจะไปบ้างอื่นครับอที่สุดจะไปบ้างอื่นจากบ้านที่นิมมอนนันะ้นใช่ไหมครับ ไม่ต้องบอกลาพิสุที่มีอยู่ในวัดก็ได้อันนี้นะครับธรรมดาต้องบอกลาใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องบอกลาแ้ะเฉพาะข้อนี้นะไม่ใช่ว่าไปไหนไม่ต้องบอกลาอะไรอย่างนี้ไม่ไมใช่นะครับ ค, ค, ครับแต่ว่าไปคืออรอ่เรียบวกนไปไปตอนตอนไปเล า, าิการนะเวลาวิการหรือเป่าไม่แ่อครับ ท่าจะพูดถึงว่าในเวลาฉันวนะ่าท่าพูดถึงว่าอันนั้นก่อนฉันก็ดีหลังฉันก็ดีนะครับอั น, นนะแต่ว่ายังอยู่ในการนะครับตอนนั้นอยู่ในการอ้องไปดูรายละเอียดทีหนึ่งนะอันนี้เอากรรมที่กระถิ น, นก่อนนะครับอันนั้นอยู่ในข้อนนะข้ อ, อปฏิบัติละเอียดนะมันจะยาวไมเลียงนะครับอันที่สองครับอ จีวรนี่แตเพื่นนีเป็นของเธอครับแล้วก็เก็บอดีตีวรในการภาวนาสามแล้วจีวรไมครบสามได้ต้องเป็นครบสหรับอยู่ประจ่าตายจีวรได้ครับได้จีวรกรไรโอชาพอได้ครับครับ ฐันชนะสูตรชนะลำตาชนะด้านถ้าถูกต้องนะครับข้อแรกข้อที่สองกระถินดอกเพราะอะไรครับอืมอาวาสปริภพขาดระอะไรีวรพัดด้วยขาดจีวรปริพาจงอธิบายมาด้วยว่าเป็นอย่างไรแต่ละอย่างอีวรปริภพเป็นยังไงอาวาสปริภพเป็นยังไง ใส่ใจว่าทำจีวรไ่เสร็จเราไมจะผ่านไปทาจีวรนี่เสร็จเรก็จะไปทันทีที่ทาเสร็จปั๊บไปรอบขาครับพอทาจีวรเสร็จจวรบริสุทขาดไหครับถ้แล้วก็จะไปนั้นก็การที่สองที่ออกจากวัดฆ่าว่าอาวาสหลวงพ่อผ่าถ้าหอการผ่าที่สอครับ ที่บ่าไม่กลับมาแล้วในช่วงนี้กลับมาแในช่วงนี้สองนี้นะในช่วงนี้สองในช่วงนี้สองอือันนี้นะครับ้ากดแต่เขาว่ากีวอนเสร็จแล้วคือจะได้หลาอย่างนะครับไม่เฉพาะว่าทํากีวอนเสร็จอย่างเดียวมีเสร็จแบบไหนอีกครับไม่ทําเลยไม่คิดทําเลยครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันครับ เขันะครับทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็เสียหายไปนีวิเสียหายทำเสียหายไะเลยไม่ได้ไม่ใช่ทำแล้วก็สีแล้วก็พอหรือว่าหมดหวังนี้หมดหวังนี่ได้ครับต่อไปนะครับ จงอธิบายขั้นตอนการการกระถิ่นครับเอาแบบย่อก็ได้ครับเริ่มแต่แรกเลยอ่ะวันนั้นอ่ะวันกระถิ่นอ่ะมันจะมีขั้นตอนอะไรยังไงครับว่าแต่ทายโยกเริ่มมาถวายครับหรือข้าข่าพอเอ้าถ้าคนเขาไม่รู้เขาอยากจะรู้วิธีกระถิ่นใช่ไหมครับมันขั้นตอนเป็นยังไงนะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิยกเขมาถามแล้วจะอธิบายยังไงครับ ใชก็เอาเขาเดินเขาเดินมานะเดินมาเรื่อยๆะไม่ไหวแล้เขานั่งรถมานิดนีงเอาเข้าโบวถแล้วเข้าโบสถแล้วครับแล้วก็เดินบันไดขึ้นโบสแลไว้อันนี้ทุกคนเข้าไปในโบสถ์แล้วยกก็พาะไรมาเนี่ยว่าครอบครัวนี่จะทำยังไงเขาก็จะกา นที่ฟังถวายเขาก็จะมีบอกว่าให้ี่สูจน์ใช้ค่านี้การกระถินใช่ไหมครับถวายให้ออกค้านิพการกระถินถว้ให้พูจน์รับผ้าเนี่เพื่อทาการการกระถินพิสูจ์ก็รับผ้าไว้จากน้ก็หาบุคคลผู้ที่จะเหมาะสมที่จะทการการกระถินผู้ที่เหมาะสมในการการกระถินก็เป็นพิสูดแลนะผู้มีผ้าเก่าผู้ที่มีผ้าเก่า ต้องไปีมมอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวาว่าี่นั้นีอยู่ไม่มีผ <laughs> ้าตยวิก็ให้พาาหระเจะ้กินนะตัดแปงเพอ่์เซอร์กไปก็เลือกหา ก็ามผ้านั้นไปเขาเรียกอะไรครับส่วจหม้อครับสรวนหมอผ้ากระถิ่นครับคางทีมาแต่ตอนที่เลือกตะกี้ในในในสลากแล้ว่าไะเขาไน้าดูไปสแล้วก็ไปทำการสวนมอบผ้าทีมาตรวนหม้อผ้าเรื่ง คือต้องก็ททำอย่างนั้นก็ทำ่างมอยังไม่ได้ทาก็ได้ครับยังแล้วยังหมมอดก่อนหรือว่าเข้าไปทำกก่อนแล้วก็มอดทุกหนัาก็ได้ครับอันนี้เป็นผาที่นเสรูปมาแล้วหรือยังเส็ปังเสองแบบก็ไา้แน้แต่อธิบายก็ได้ใช่ไหยครับ พิ็เพื่อคติฐานห้ามใหม่ครับแล้วก็แล้วก็การงูนาามตารอาจารย์กลางครับกลางนี่เฉพบะผู้ผู้ที่ได้รับภ้าศนั้นครับจะมีวิธีข้าจะโจเิ้าศไเจ้าได้กลางข้านต้องมีธรรมการก่อนครับถ้าถึงว่าจะใช้สังติเป็นตัวการใช่ไหมครับก็่าพูดว่าไนะ ทิมายะสังคติยากะทินันอัถรามิข้าพเจ้าขอการกระถินด้วยภ้าสังคติถนี้เนี่ยต้องต้องมีคมนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นคากลางเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็บอกให้พระสอ์มุทนาเป็นภาษาบาลีครับเขาบอกว่าไงครับใครันจําได้บ้าง กตินัฐขาโรยจะไม่ได้ตอนแรกอะไรยังไงนะกถิณังกติณังทำมิโกกถิณัฐขาโรยมันต้องบอกว่าอ่าครับการการอ่ากถินของสองการแล้วนะครับเป็นการการที่ชอบทำนะครับอะไรนะอัตตังครับอัตตังฟันเต สังฆสันะครับกะตินังธรรมโกกตินันธาโลอนุโมทฐานนี่นะครับใช่ใช่มั things, นยอะไม่ได้เวลามันเยอนาเกสักคนกระติับรมโก้าท <c oughs> <c oughs> <hots> ่านจะเริมแยบกระิ <c oughs> <AUDIO _ üzik> ่ของสงการแล้วการกรรมเป็นธรรมนะครับพรหมละอีศุล牟นาน่้เข้าไปทำเลยนะในม่มี ต่อไปนะครั บ, บรข้อที่สี่ถามว่าไตรจีวอนะครับสบงกีวอรปกัตินะครับแต่ละอย่างนะขนาดเล็กที่สุดที่สามารถพิฐามเป็นไตรได้เนี่ยเป็นไตรจีวอนได้นะครับมีขนาดเท่าไหร่นะครับ ด้ายาด้านกว้างเบอกมาจงบอกมาครับอยาวยาวมเมครับเอาเอาสังกติก่อนครับเอาสังติกับจีวรก่อนจะเท่ากันสังกติกับจีวรอย่างแรกที่สุดเนี่ยที่อากจะหาเป็นไกลขึ้นเนี่ยเอาขนาดไหนครับ เอาความยาวก่อครับยาวห้าสอบกำยาวห้อบกำความกว้างครับกว้างสี่เมตรํามสอบกำนะครับกว้างสามสอบกำครับถ้าเป็นสมองครับ้าเป็นสมองยาวสอบกำยาวครับยาว ยาว52กมยาว52กรัมเหมือนกันแต่ความกว้างครับ22ครับ22กม22กมใช่ไหมครับผมก็จําไม่ได้เกินด้วยนายเท่าไหร่นะบอกว่าครับลุงกนะแค่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกว้างมากนะสงเนี่ยได้นะครับ อี่กรรมสมองก็บอกว่านะครับสองสองนะครับสองสองก็ใช้ได้นะครับไม่มีกรรมนี่นะครับสมองหนี่ยนะครับแล้วสองสองแล้วสองสองแก่สองสองก็ได้นะครับอืมนะคึ่งคึ่นครับสองไหนครับสองนี้ใช่สองนี้มัสเตเลแบนบนแบแบนบสองสองใช้ได้ครับ งี้เมื่อกีใครต่อว่าสองฟองนะถูกไหมครับอ๋อเจมส์เนี่ยหนุ่ยยี่นะครับท่านแรกก่อนนี้ก็อธิฐานเป็นไตไม่ได้แล้วนะครับอธิฐานบริษาทโจรไปต่อไปนะครับเหตุที่ทําให้ภาคหาอธิฐานมีตั้งอย่างอะไรบ้างจงบอกมาโอ้เหมือนเยอะนักตัางอย่างละ อธิษฐานของละพ่ของอให้มันครบก้าลครับิ่่นะรัไม่ได้ครับถามว่าเนเกินี่ันถามว่าครับือว่าเหตุที่ทาให้ฆ่าขานอธิษฐานนะครับมีก้าอย่างเกินไม่เกินสิบวันอดีหลจีวอนนี่ยังไม่ได้อธิษฐานเลยค่าตื่นมาครับอันนี้เกินสิวันเนาะเนาไม่เกินสิบวัน ชี่โนหายอยู่้นอกครอเคตนนี้เราับนงชิงออกไปอ๋อกนั้งเรียกคอนอือว่าอาตาโอ้โหจะอกว่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าา่าาล่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่รฮ่ เอาจีบเาอรับ้ืนนะไม่ทาน้นก่อนนะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่แล้วก็สุนจากนำตีอย่างนี้ใช่ไหครับไถสกรีนครับอ่ารวมสกี้นะที่บอกว่ามีวาหายใช่ไหมครับถมงชิงเอาไปใช่ไหมถูงถุงถุงถุงวิสาหามีช่องทนลุเข้าหลังเล็บนิ้วก้อยทะลุไปอีกด้านหนึ่งเแล้วก็ไหนครับ เขาตายถ้านเนี่ยตายหาเลยค่านให้พูดไปนะครับอ๋อนี่บาแลักจรงจริก็ถึงชิงครัอันเดียรากสิดขาติดขาครับถอนเดียวถอนติดขาครับนี่ก็รับครับ ข้ามีเด่นตรงตรงไหนนะครับดี๋เขาดูนะเพื่อความมั่นใจนะครับไอข้อหาอ๋อเป็นปราร้าชิบใช่ไอไอที่หาน่ะอทีหาอาจจะต้องออกเมื่อกี้โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้เลยก่อนนะต้องตามข้อคอบไปนะครับมันจะมีให้คนอื่นเมื่อกี้นครับชงชินออกไปถุงถือสาสันะครับข้อนีดกระสีลาสิกขาตายเส้กัรับถอนแล้วก็มีช่องทะลุนะครับก้างนะครับอืมปราชีเกินมาครับ ใ่ น, อ น, นอ้อีกที่หนึน่งก็มันใหญ่ใช่ไหมครับนี่น<ส>มันจะมีชือหาเเป็นคนเมลอ น, นี้ที่นึ่งนะครับเีเป็นคนเมลเอ ม, มทีม่น้เกิแค่ปาาิลปราิย่นาดหามันมีเกิก่านันนีหรหายหายออกไปถาหาไม่เอาเอาเป็นถุกชีวไปอย่างเดียวครับ <นะ S 1> รวมตรงนี้หมดครับหายน่ก็หมาถต้องอนอีกนะไม่ต้องอนะถ้ามันมารวมในที่นี้ครับ ม, มันก็ครับก็ถือว่าถามกันนะมันหายไัแล้วนะครับอขอกว่เขาี่เปนผีเป็นอะไร้าครับอืออือครับต่อไปนะครับถามว่าจงอธิบายติกะปาจิตีในกีวรละวัชสิกขาบทที่หนึ่งมาเอาเอาประสกเป็นที่ตางสองเอ่อ อะไร่สงสัยเนี่ยมสนคมที่หนึ่งนะครับต้องหาตัวตั้งกันนะบ่อะไรนครับ่อย่างสิค้าแบบที่หนึ่งของจีวัว่างว่านะครับเป็นนิสิตคีเพ่อนนะครับว่าเกินจิตวันก็เก็บไว้อมเกิดจิตนีกี้วยแล้วรู้อยู่เก็บไว้ตัตกาไหนแล้วก็ไม่รู้สาคัญผิดว่ายังไม่เกินจิตวัน แต่ความกงินเกินนะครับตอนนก็นี่นะติดกับไปดีป้องแล้วแล้วก็ดูตั้งเข้มาก่อนเลยว่าถ้าตัอเกินสิบวันนะครับเกินมาเกิดสิบวันนะอ่ารู้ทั้งรู้ก็ดีนะครับสงสัยก็ดีเอเกินหรือยังไม่เกินนะครับหรือเข้าใจผิดมานยังไม่เกินนะครับก็ตามแบบทั้งนั้นแล้ว่าติดกับไปกี่เพราะว่าความเงิมันเกินแล้วต่อไปนะครับจองอธิบาย การอยู่ประสาทเจริญจีวรในเขตวัดมาว่ามีข้อกำหนดอย่างใดโอเนี่ยในเขตวัดท้องใครับครับถ้าเกิดวัดมีเจ้าของไหวคนเดียวครับเจ้าพ้างค์เดียวสร้างวัดมาเลยครับอยู่ตรงไหนทด้าองวัดครับภายในวัดนะครับแต่ถ้าเอาเจาะให้ดีก่อนดีก่อนต้องมีรั้วล้อมใช่ไหมลองอยากว่าวัมันมีรู้วล้อมด้วยไหครับ มีเจ้าผ้านั้นก็มีรั้วล้อมด้วยครับอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมทายวัดนั้นจุดไหนก็ได้ครับนี่นะครับคแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีรั้วล้อมก็อยู่เนี่ยหรือว่าไม่มีรั้วล้อมหรือว่าอยู่หรือว่าหรือว่าแม้มีรั้วล้อมแต่หลายเจ้าของก็จะต้องอยู่ในห้องไหนก็ห้องนั้นอยู่หรือว่าอยู่ในหัตถบัลย์นะครับอยู่กุฏิหลังไหนอยู่ที่อยู่ไหนอยู่ที่อยู่นั้นใช่ไหมครับหรือหัตถบัลยที่อยู่ มันก็จะแคบลงได้ก็กอติที่อยู่ตรงนั้นนะครับนี่นะครับแค่เนี่ยนะใจความคืออะไรครับคานจิมันมีสองหนนะอันนี้พูดถึงวัดต้องอยู่ต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ผุ้ถึงสาราสาลานใช่ไหมอันนั้นต้องแยกติมีวัดครับมีท่าในวัดสารา สารามันหลายเจ้าภาพใช่ไหมแต่วัดคุ้งซาคนเดียวเราก็ไปไล่ที่สาราแต่ละหลังเลยนะครับอันก็จะพูดถึงว่าสาราก็เหมือนกันนะสารานั้นมีเจ้าภาพกี่คนอือฮะเพราะว่าถ้าสารามันหลายคนอ่ะและก็ร้องหรือไม่ร้องเครับถ้าไม่ร้องอีกนะ ก็อยู่ห้องไหนก็เก็บไว้ห้องนั้นนะครับเก็บไว้ห้องไหนก็อยู่ห้องนั้นนะตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดร้อมถ้าร้อนถ้าหลายเจ้าผ้านนะที่จะเหมือนกันนะครับไม่ได้เฉพาะที่อยู่หรือว่าทบบางที่อยู่นั้นนะครับเรไปห้องไหนนะไม่ได้ทางหลังแล้วถ้าว่าเจ้าผ้านเดียวแล้วก็ล้อมด้วยใช่ไหมครับเราอยู่ในบริเวณศาลาเลยมันจะกี่ห้องอะไรก็แล้วแต่ใหญ่ขนาดก็แล้วแต่ใช่ไหมครับ อันนี้แต่ทีนี้ถ้าไม่ล็อกบุ๊กหรือว่าล็อกหรือไม่ล็อกก็แล้วแต่แตหลายเจ้าภาพใช่ไหมครับอันนี้มันจะแคบลงเลยนะเอาเฉพาะห้องที่เราไปอยู่นะครับเนือที่บ้ า, บาห้องนั้นเท่านั้น <Okay. S 1> แต่ทีนี้มันมีประเด็นน่าสงสัยว่าถ้าสารานะนั้นมันไม่มีห้องล่ะเออเป็นสาระาหลังใหญ่ร้องเลยเนี่ยแต่ก็หลายเจ้าภาพรั่วแล้วไม่มีทั้งนั้นหรอกเขาไม่นิยมสร้รั่ว่าอกใช่ไหมครับโดยเฉพาะสระนะ ที่เราจะนับไยังไงเนี่ยเพราะนั้นบอกว่าอยู่ตรงที่อยู่ไหนใช่ไหมครับก็เก็บไว้ตรงไหนก็อยู่ที่นั่นนะผมก็สงสัยก็ไปถามเ่ยอาจาร <c oughs> ย์เป็นย <c oughs> ังไงก็ควายครับอันนี้ถามน ะ, ะเอาเพาื่อนสาธุไมเคิบอกนี้หาาทบเลยนะครับมันไม่ได้ใช่ยาเพราะมันก็ไม่ตรงแบบของท่านนะมันว่ามีห้องเล็กห้องน้อยแยกออกไปใช่ไหมครับแล้วกเก็บห้องไหนกี่ในห้อง น, นั้น อันนี้มันนั้นไม่มีห้องอะไรห้องน้อยมันป็นีศาลาเดียวมันก็ไม่มีในแบบใช่ไหมถ้าเท่าบาทจีวงเลยอย่างนี้นะครับสภาใจที่สุดนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่ลงกับในแบบแล้วนะตรงนี้มาว่าแล้วก็ไม่ลงแล้วนะครับแล้วก็ทำบาทจีวรเลยใช่ครับข้าห้องเหนียวแค่ไหนนะคือว่าบางทีเนี่ยมันเป็นทางเดินไปถึงารได้แล้วหลังคามันจะเป็นอย่างนี้แล้วบางทีก็เป็นหลังคาก็เอามาเชื่อมกัน บานทีว่าหลัาก็แบบแยกกันแต่ว่ามันเคยมันต้อนกันอยู่อย่างนี้ยแต่ว่าแยกกันนะอยี่ห้อนี้อ้าห้องเหญ่เมมือเราซามันใหญ่แล้วใช่ไหมมันมีสีห้องใช่ไหมครับก็คือแต่ละห้องนเลยครับครัแต่ละห้องเราอยู่แกจัวในห้องไหนก็หยิบพ้อในห้องนั้นเนื้อสบายใงห้องก็ยังได้นะครับจะเกยเลยนะก็ไม่ได้นะครับอืมครับ เย็นเนี้ยครับห้องน้ำตัวไนครับองห้องน้ำตัว้นเป็นหลัคาแล้วก็มีมีหลังคาไปจะกที่ตัผ้าหลังคาตรอย่างนี้ครับถือว่าเป็นงานเดียวกันด้วยคนอะที่กันมันไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องบาันนะใช่ในะครับาชบทีวอร์เลยมันไม่ได้อยู่ในแบบคนันครับ้าชบาาทีวอรเลยเพราะมันท่อหลังเช่าผ้าด้วยนะ แล้วก็ไม่มีห้องเล็กห้องน้อยมันแยกออกไปพ้อเล็กห้องน้อยมีเราไม่ได้อยู่ในห้องเนี่ยเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับเนี่ยผมก็สงสัยนะเราต้องตอนเช้าห้องน้ำก็ต้องระวังใช่ใช่ก็ต้องระวังเคยสงสัยนะครับคือว่าถ้าห้องน้ำห้องน้ำปุ๊บอาจวัเข้าไปด้วยมันไม่เป็นอาบัตข้อนี้เขาอยู่ประสาไตจจีวใช่ไหมแต่มันเป็นอาบัตเพราะว่าอาจีวะเข้าไปในห้องน้ําด้วย ครับเอาเอาถ้าแขวนมาข้งางนอกมันก็ได้อยูนะถ้ามันเป็นศาลาใช่ไหมแล้วก็ดูก่กั น, นะครับโอไไ้ไม่ได้ไม่ไดันไม่ได้<น>อันนี้ถ้าบอกว่าหักทบานะมนเาเพราะว่าเก็บจี้วัวไม่ในห้องนะครับตัวเราอยู่ในห้องนะหรือเราออกมานอกห้องจริงแต่ตัวเราอยู่หักทบานในห้องเราอันนี้ได้แต่ถ้าตัวข้าวบุอยู่ในห้องน ะ, ะแต่จี้วัวมาอยู่ข้างนอกนี้เน่ะไม่ได้ะคะคเราบมันคุณระแบกไปอันนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าก็เราอยู่ในห้องจีวอก็ไม่อยู่ในห้องด้วยจีวอนอยู่ข้างนอกใช่ครับถ้าเราเค่เหมือนการรักษามันจะคุ้มไม่ได้ใครหยิบจีวอนมาแล้วก็ไม่เน้เนือช่ครับนี่ะครับนาย่นีที่ถอนนะรอันน้อารมเ็กขึ้นใกล้ขึ้นแล้วก็ถอนกันเลต่อไปนะครับถามว่าจีวแล้วบฟังสิ้าบทที่สองเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ เนี่ยที่เราลงเรียนเมสสิกีี่ผ่านไปสิข่าววันแรกเนี่ยเก็ิดจีวรไม่เกินสิวันคําที่สองอครับจากบูเชียร์มีขาอยู่ปสัสกาอันจีวรใช่หครับเป็นิสตีไปตีนะเนี่ยจีวร์ล่าว่า ส, นะสิข่าววัที่สองเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอกิริยาถามว่าเพราะไม่ทาอะไรครับอิริย า, พายเพราะไม่ทบครับ พ้อไม่สนาครับพอไม่สนานะไม่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกไม่อันมอธิษฐานไม่อธิฐานไม่ใช่อันนี้มาอธิฐานเป็นไจนะครับเป็นอาบัติพรว่อยู่ป่าครับเพราะไม่ถอนพราไม่ถอนะครับพรไม่ถอนฟ้ามัขึ้นใช่ไหมเพราะเราไม่ยอมถอนถ้าถอนเทียก็ไม่เปอาบัตนครับต่อไปก้างนะครับอธิริยาอาการับ พอไม่ถ่อมลไม่ทำกทารถอ ม, ทท ไ, มไปต่อไปร้บข้อกล้าเนี่ยจนองอธิบายจีวรระ ว, ว่างสีขาวเนที่ 3. สามจาหน้าะที่สที่สามที่บานมาแบบคร่าว<ๆ>ก็ได้พรารู้เรื่องเราขาดคร่ okay, คราจะ ท, ทาจีวรนะก็เลยเก็บผ้าไว้เพราะว่าจีวร้ยไม่ก็เลยเก็บยยไว้เก็บไว้เก็บไว้ยังมีหวั ง, วงใช่ไหม แล้วมีหวังจะได้ผ้าใหม่ครัเอามาเก็บไม่ได้เนื้อเยื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับถูกต้องครัถูกต้องครับได้ครับนี่ครับตอนสมัยผมเรียนใหม่ๆผมมีปัญหาเพราะผมเป็นเนยในพี่เนยผ้าก็จำไม่ค่อยได้ไปท่องปฏิโมกได้ภาษาบาลีภาษาไทยไปท่องได้หมดนะครับ อาจารย์สมัยนี้นักทําสมัยก็อย่าท่องกระหมดนล่วนะทีนี้พอระยะเวลาไไผ่านไปนานนึกหมดนะครับพอจากยถานสังขารที่เจ็ข้อนี้ว่าอย่างไรนึกไม่ออกเลยนะครับข้อที่เจ็ดว่ายังไงแค่หัวข้อยังจำไม่ได้คำพิบายนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเออข้อเจ็ดข้อไปมันคืออะไรนะมืดนะครับนึกไม่ออกเลยที่หลังนี่มาไม่น่าผมก็ต้องเน้นแล้ว น, นะอย่างแรก ถ, ถ้าจำไม่ได้หัวข้อมันต้องได้ก่อนนะครับ ว่าข้อนั้นเข้ามาอะไรนะครับต่อไปทํครับเวลาไหนบ้างที่สามารถขอจีวรกับคนที่ไม่ใช่ยากไม่ใช่ปรารนาได้เกาครับม่เป็นชม่วมีผมแล้วจนคนเคยกายอยู่อ๋อนะครับเวลาจนกลอนถูกชิงจีวรไปทั้งหมดใช่ครับถ้าหายสามผืนขอได้กี่ผืนครับสับ หายสองขอหนึ่ครับหนึ่งหายหนึ่งไม i, ่ได้ครับขอไม่ได้เลยครับอย่างน้อยก็ไ้เหลือภาคหนึ่งกับภาคหกนะครับอันนี้รับต้องครับถ้าเดินปยกางมาเลยนะอ่าที่ไม่ได้เป็นอาบาติพ่อไม่ขอหรอไม่เป็นอาบาติเป็นเป็นอาบัตเพ่อว่าเดินปวยกายมาครัไม่ยอมรับผิดเลย จะถามว่าถ้าเกิดเรามีเค่สองผืนได้ไหมครับอ๋อไม่ได้เขาไม่ได้น้ราะว่อย่ า, างเป็นต้อ่านบรอีกข้อนึ่นนะงไงไอข้อที่ว่าเราถูกจีวรจอนชีจีวรเราไปเนะี่ยแลวเขาก็มาจะพาให้เราขอได้กี่ผืนก็ได้ใช่ไหมครับเราขอกันสองผืน น, นี้เป็นอัมาลิสุทธิข้อหครับหมาว่าเร า, ออ เ, าเรามีสองผืนนะครับมีแค่สองผืนนะหมายถึงเ้าปฏิเสธ คำถามเนงงพี่บอลก็คือก็คือมีแค่มิใช่พูดถึงตอนนี้นครับจนชิงจีวอนไปนะั่นไม่ใช่ยูวีดีไปขอเขานะครับมายถึงาขอเลยนะครับนีาถึงว่าจีวองชิงไปหมดนี่ย <f ew> อ๋ <f ew> <f ew> อครับก็ขอไม่ได้นะเรามปนจีวอนสามหายผืนเดียวมขอไม่ได้อยู่แล้วนะครับหายผืนเดียขอไม่ได้ครับมัน ม, ม, ม, มันสองก็า หมว่าก็ทิงวิงไปแล้วก็อยู่มันแค่นั้นนะครับสองตื่นได้ไหมครับไม่ใช่ว่าถามว่าเป็นอามบัตข้อไหนใช่ไหมไม่ได้บอกาข้อนี้ก็ยังไม่เจอนะยังไม่เจอคือหมายราะว่า่ื่รูปนั้นนีสามครับทีว่นชีวาไปเดลอแ่าตบงก็ไม่มีอามบัครับ พ่อท่านก็นยังพูดถึงเลยว่าที่สุขที่ปกติใช้ผ้าแค่สองผืนใช่ไหมครับถ้ามาหายไมทั้งสองผืนเลยนะก็ขอสองผืนนะครับเพราะเราบอกว่าหายสองขอหนึ่งใช่ไหมก็ของท้ามีแค่สองเนี่ยหา ห, หมดเลยแถ้วก็ขอหนึ่งถ้าก็ไม่มีขมใช่ไหมครับถ้าอะไรขอได้สองนครับก็มีท่านนาดีกาอธิบายว่าทําไมลุงนั่นใช้ผ้าแค่สองผืนบางทีก็ ว, กว่าท่านไม่ได้เนื้อหาไม่ได้ครับมีแค่สอง อันหนึ่งแคก็ได้อันนี้สองอันนี้สองกระินนี่แหละอิปัจตจักไตจีบอลได้อีกคู่หนึ่งก็ทิ้งไว้ที่วันเท้าแล้วก็ไายค่สองคื่นี่แหละนครับต่อไปนะครับอ่าสิบสองอั น, นี้อันคนน่าจะงานนะวัยวิศกรมีสี่ประเภทนะครับวัยวิศกรมีสี่ประเภทคืออะไรบ้างจงอธิบายมา และจงบอกวิธีการทวงกับวัยาแต่ละประเภทมาด้วยข้าวลองแบบไม่ดูต่อไม่ต้องดูนะเยผลงหนึ่งวายาที่ที่สุดแสดงสองวยาที่โยไปแงเอหายกแสดงสามวยาที่รับหลังเอยไเองไม่ใายาทรับหลังหลังรับหลังไล่ข้อนึง เวลาที่เคเองตัวนเองเสนอตัวเป็นเองพี่มับเี่าเนี่ยคสี่แล้วที่นี้หละแต่ประเภทมีวิธีการชวนนงครับประเภทแรกระยาที่ที่สุดสดงชวนได้หรืลใช่หห้ค่อ้องตอบบ้างก่นมเลยเลยเาใ้ระหว่างนี้พอย่อเเพแรง ประเภทที่สองมีทานสอแดงเท่าไรก็ได้ครบผมไม่จำกัดครับปรทที่สามีสี่อไม่ได้เลยผมไม่ได้เลยต้องนะครับต่อไปนะครับข้อห3สามจงอธิบายจีวรวัสิกาอที่สิบมาแบบคร่าวๆเนี่ยห้่งเรียนเสร็จหมาเมื่อกี้นะลอทอธิบายนะใช้ความสิกขาบที่นี่นะว่านี่นะครับแบบให้รู้เรื่องนะพอรู้เรื่องครับ ก็กลายเป็นทันก็คือมีคนก็ส่งพูดมาเอาให้เอาเงินสำหรับจ่ายกีวอลาทีนี้เขาเอามาให้พระพก็จะต้องปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าก็เขาก็ถามว่าเราเมีจนหการไม่ไหมก็เลยก็เลยหาไปาวิามหาาวาอะใช่ไหมก็หาทาถาิญาเลยครับก็เลยไปหาวิญาบัญชีกราบกรก็เป็น ก็รู้แล้วแล้วก็ไปวงทวงได้บอกสามครั้งยืนหครั้งใครสามารถทบ้านใหญ่่ีหน่อยนะฮะเรื่ตอราผมว่าผ้ว่าะเกี่ยวกับตำแหนงครับตรงมันจะมีนะราคาอหญ่อยู่นิดนึงนะครับตอนแรกมันถูกแหละเขาบอกว่าโยมเขาเอา มมีเจ้าผ้าใช่ไหมถ้าเงินฝากใครมาสักคนห น, นึ่งเรียกว่าถุ่มใช่ไหมครับบอกว่าเงินนี้ไปทําอะไรนะครับถ้าเงินเนี่ยไปซื้อจีวรมาถวายพระแต่ทู่จะทํำยังไงครับเอาเงินมาให้ถวายพระเลยนะครับพ้าทําอย่างนี้ปฏิเสธเดียวไม่คู่ณไม่สมควรเป็สมณะง้อนี่เลยนะครับแล้วทีนี้เขาก็ทําอย่างไงครับ พูเขาทำยังไงทีนี้เถามหาวายามวาจกักรใช่ไหมครับ <c oughs> พิสุก็ <c oughs> ก็สแสดงวายาวจกักรไปเลยใช่ไหมครับเ <c oughs> มื่อพิสุแสดงเสร็จแล้วพุมเนี่ยทูเขาก็กทำยังไงครับเข้าไปหาวายาวจกักรเอาเงินมอบแล้วก็สั่งการกันใช่ไหมครับแล้วก็ทําไงครับกลับมบอกคร <c oughs> ักลัมบอกกับพิสุเนี่ยนะตรง น, นี้ที่ที่บอลหาไปเมื่อกี้เนี่ย สั่งการก็แล้วท <we> <alnız> ja. ่าก็ต้องกลับมาบอกพานครับบอกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยกลับมาบอกหรือว่าบอกฝันก็ได้ครับบอกฝันก็ได้หรือว่าไปมอบไปสั่งแล้วก็ค่อยมาบอกก็ได้ครับนี่แล้วยังไงต่อที่สูดต้องการเวลาไหนใช่ไหมท่านก็ไปทวงใช่ไหมครับสามารถทวงได้สัทวงว่ายังไงครับคุณทวงอ่ะต้องพูดก่อน เขาคำพูดนะครับอาตมา่ต้องการต้องการจีวอรอย่างนี้นะครับทีนี้หรือว่าคำอื่นก็หน้าที่ประมาณบอกความประสงค์อย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นการมาค้ำหรือว่าถ้าประจัดแจ้งให้เขาเอาเงินไปซื้อเลยอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับมีสเกลนะครับไม่ติดด้วยลูกเกิน ไม่สมควรแกนรูปนั้นไม่สมควรแก่รูปนั้นแต่รูปหนึ่ใช้ได้นครับใช้ได้นะครับแล้วก็ทวงไอ้แล้วก็ถ้าทวงนั้นไม่ได้ให้ไปยืนใช่ไหมครับยืนให้เขาเห็นหน้าเฉยๆใช่ไหมครับได้หกครั้งถ้าเขามาถามมาทําไมนะมันตอบไม่ได้ไงครับโอ๊ยเกมอ่าครับ มอว่าเอง่ไหมครับยังมองว่าเองครับทีนี้นะครับที่เป็นนิสิทีในสิกขาภิณีตอนไหนเมื่อกี้นพมรไม่ได้บอกใช่ไหมใช่เออคาับนี่แหละขาดเลยนิสิตีตอนไหนครับตอนที่ไปทวงเกินครับคือเราไปทวงไปยืมอะไรครบแล้วแต่ก็ยังไปทวงเกินอีกใช่ครับทวงเกินแล้ว ไอตอนที่ทวงเกินเดยมันเป็นอาบัตสิกีหรือยั ง, ยงเป็นอาบอะไ ร, รก่อนครับโดบกดนะครับพอได้ท่ามานิสิีอันนี้ะครับถ้าถือว่าเราทวงครบทุกครั้งพอดีนะไม่เกินแล้วไม่ได้ต้องทำยังไงครับไปบอกเจ้าครับผม้ามบอกเจ้ า, าไปบอกว่าโยมปัจจติโยมขายา อ่าครับก็บอกเั้นนะก็บอกว่าเงินอ่ะเงินที่ยองส่งมาใช่ไหมครับเพื่อเป็นค่าทีวอีให้มายาก่อนขัการนะมันไม่ได้เสร็จประโยชน์อะไรแกค่าอะไเลยใช่ไไม่เสร็จประโยชน์อะไรเลยค้าไม่กลับไปบอกเลยมีทโอษไหมครับไม่ไปบอกเจ้าทางเลยแล้วก็ไม่ส่งครไปบอกด้วยนะ เป็นอามัดทุกข์นะครับถูกต้องนะครับนี้ อ, อไ่ไงนีนะที่ผมดูก่อนเมื่อกีนอ้นีร่องตอนที่ขนาดทวงไปมัทุกข์กดถึงก่อนนั่นแใช่นี่ไงใช่ใช่ครับเมื่อพิสูจน์พยายามให้ยิ่งก่านั้นนะครับทุกทุกกิริยาการทั้งหมดที่พยายามนั้นต้อบัตทุกขได้มาต้อมันเสกขีาสิทธิ์จรินะครับอย่างนี้นะ อันนี้ได้ยังมีข้อนึ่งข้อสุดท้ายง่ายๆสมายๆพ่สูที่รับเงินทองแต่ไม่ต้องบัตสึเกียวไปตีคือใครจงบอกมารับมาเพื่อสองรับม า, าเพื่อสงฆ์คณะหรือบุคคลเมื่อเจดีย์นะครับรัไปทิ้งถูกต้องะะมีอะไรที่กำมิกลาไม่ต้องบัตละ ที่ทำกิจไม่ต้องลบาก น, นีนะครับเราพูดคำพูดอื่นนะครับ น, นี่อย่าพิจบนะนะจบ <c oughs> จนะครับแต่นี่จะพูดอะไรกหน่อยผมอยากจะพูด <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเรียนวินัยนะครับได้าอารมณ์ดีวันนี้เป็นอารมณ์นี่งนี้ยให้เห็นคุ้มค่านะการศึกษาเพืะะ <c oughs> ่อทวิ ย, มมย่าณ น, น, นะเพราะว่ า, าส่วใหญ่ที่มาเรียนวิญญาณแก็ จะเรียนได้ใจที่บริสุทธิ์นครับจริงๆเรียนเพื่อเพื่อพุอพอพอปฏิบัตินะครับ <s we ak> เพื่อทำํำศีลของตัวเองให้บริบูรณ์นะไม่มีใครเรียนวิเนียเพื่อรับสักการไม่มีใช่ไหมครับผมว่าการเรียนวิเนียที่จะได้สักการะก็ไม่ไหวจะได้เห็นไม่มั น, มนปกปกุคคลประกาศรให้เท่านั้นนะครับไม่มีหรอรางวัลเอาพระตอมได้ที่หนึ่งนะจะมีรางวัลอย่างนี้ไม่มีครับ ผมเคยบอกในหลักสูตรสอนสมัยสองบาลี้มบอกว่าันก็มีรางวัลให้นะแต่รางวัลก็คือความม่ความเข้าใจที่คุณได้นะครับนั่นแหละคือเรางของการศึกษานั่น่ะนะไม่ใช่ว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปสอนวิชาอื่ไม่แน่นะบางคนค่าจจะใจไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เง็นตนกครับเรื่การรักสกุลเสียงไม่แต่บประกาศเขาแล้วแต่นะครับนี่ยูดพลาดไปมากนะ นะครับอย่า น, นี้แต่ว่าลิ้นในเป็นนิยมเยที่ทคนเนริ่ดใช้ที่บริสุทธิ์ทีแม้แต่ค้าวใหม่ในมันพอเข้ามานะครับก็ต้องการศึกษาให้เข้าใจนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะไม่จะได้ไม่ต้องอับอายนะครับเพื่อความสมบูรณนสีเพื่อสีสั้งวงนะครับเพื่ออะไรอีกนะก็เพื่อความบริบูรณ์ของใบสุดขังสุขนะครับเ พ, บพบาาขขื่อ ค, ความมุ่อองมุ่งพ้นผาเลยน ะ, นะ พ่ออะไรสีเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นเบื้องต้นใช่ไีมครับของกรีนทำทุ่งนาเป็นประมุขของทั่งปูของเขาก็เริ่มต้นที่สีนั่นแหละเีื่องแต่วังเดียมันแรกใช่ไหมโอมารสีเหมือนแผ่นดินใช่ไหมครับที่จะสามารถสร้างสนัธนารามนะครับที่มันสูงยิ่งขึ้นไปเกิดขึ้นได้จนถึงที่สุดเลยเรารู้นะจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคืออะไรที่เราบวชเข้ามาในศาสนาเนี่ยต้องรู้นะครับ คือพระนิพพานครับนุ่มครับครับอาจารย์ปานีเคยถามเคุณผู้กโยมโรตีว่าโรตีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอาาชดนะครับโยตีเ้าก็บอกว่าอาณาก็งพระคือนิพพานครับเ้าก็พูดอย่างนี้นะอันนี้ขนาดคนต่างประเทศนะอยู่โู่นไกลนะครับข้าท่ามทะเลมาเขาก็ตั้งใจจะมาฝึกสาธปฏิบัตินะได้ถึงความค้นชุ่มจริงครับ แต่เนี่ยจริงๆถ้า เ, เป็นเราด้วยนะเอบวชเข้ามาในศาสนานี้ที่เราต้องสำนึกและใส่ใจในนะว่าการมาศึกษาจริงๆน่ะเป็นเรื่องความสิ้นทุกข์นะครับอันนี้คือเป็นเบื้องต้นแหละเป็นบันไดขั้นแรกที่ให้เราไต่สร้างขึ้นไปถึงที่สุดคือขา้นผ่านใช่ไหมครับไม่ใช่เรียนเพื่อรู้ว่าเฉยๆนะอย่างที่นนมันเคพูดแสดงความรู้นึกนั่นอันนี้เป็นคพูดของหลวงพ่อพุทธะห้างนะครับบอกว่าอยากเรียนเพื่อความเป็นนักป่า ยังมีเพื่เป็นนักบ่าวหรือแม้แกระทั่งเพื่อความเป็นท่ารักท่าหารที่ตัวเแบบเข้าใจผิดนะนี่นะอรัเพราะฉะนั้นเราจรก็ต้องเรียนเพื่ออะไรเพื่อล่ทุกข์ของตัวเองครับเวลาคีดเด็ดทั้งหลายก็เห็นทุกข์นะนี่สารตรงนี้ให้ฟังนะครับันนี้ฟังนะคุณบุตรผู้หวังความเจริญในพระศาสนาพึงตั้งไวินัยไว้เป็นหลักประพฤติ โดยสำรวมในฟับปาติโมหมายถึงความสำรวมไม่ก้าร่วงทางกายทางวาจาเป็นความประพฤติอันให้เบื่อจากทุกทั้งหลายมีทุกในอาบายเป็นต้นด้วยเหตุ น, นี้พึงสมาทานในสีสิขาบทอันได้แก่สีที่ทรงบรรยัติไว้เกี่ยวกับสิขาบทอันมีประเภทเป็นจาริตศสีสีลข้อคนผลพึ้นและบาลิตรีลสีลข้อห้านะครับ ก็การสำรวมตามประการที่กล่าวก็คือการไม่กล้าร่วงกออาบัดเจ็ดกอที่พื้นของกลุลบุตรทั้งหลายในพรกศาสนาเว้นสีสีแล้วก็หามีอยู่ไม่ใครจะพึ้นกลา่าวพื้นกำหนดอันิงสงของสีนั้นได้เล่าแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายมีแม่น้ําคงคาก็ดีแม่น้ายมนาคก็ดีแม่น้าสระบก็ดีแม่น้สสํสารคามก็ดี แม่น้ำเกล้าวดีก็ดีแม่น้ำแม่หินก็ดีหาอชํะระมุลทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้ไหมน้ำคือสีแลย่อมชํระมุลทินของสัตว์ทั้งหลายได้สีอันเป็นอริยานี้ใดมีความเยือกเย็นเป็นแน่นอนที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมสงบความร่าเรอนของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้ลมที่พัดไปกับฝนก็สงบความร้าเรอนให้ไม่ได้ และแม้แก่นจำแดก็สงบความเร่าร้อนให้ไม่ได้สร้อยคอแก้วมินีแม้แลัศมีอ่อนๆของสร้อยจันทร์ก็สงบความเร่าร้อนให้ไม่ได้กินใดพัดไปได้ไดเสมอทั้งในที่ตานลมและทวนลมอันเสมอด้วยกลิ่นคืออันเสมอด้วยกลิ่นสนีชื่อว่าจะมีแต่ที่ไหนเล่าบันไดยากขึ้นสู่สวรรค์ก็หรือว่าประตูเข้าสู่นครคือพันพา อย่างอื่นที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ที่ไหนเล่าเราพระราชาประดับด้วยมุกดาและแก้วมุีแล้วหางดงาเช่นกับเหล่านักรตผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลงดงางอยู่ไหมศีลย่อดย่ำยีัยมีภัยคือการติเตียนตนเองเป็นต้นโดยประการทั้งปวงยังมีเกียร์และความยังเกียร์และความบันเทิง ยังมีเกียร์และความบันเทิงที่เกิดขึ้นแก่ท่านผู้มีศีลในทุกเมือ่อนี่แหละเป็นบายก้าว่วงอบายและกองทุกทั้งปวงอันนี้นะจะให้ยังยังมีนิดนึงตอนนี้ จ, จบแล้วนะก็จะให้พูดถึง น, นะครับถามว่าทำไมภ่าสมัยนี้นะคนที่แบบบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติถึงปฏิบัติเลยนะครับ สมถะเป็นจังๆเลยนะให้แบบถึงที่สุดเลยนะครับเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีหรือไม่ขนาดนัก็หลายแสนนะแต่มีการสมถะขัดเกลามันเรื่อยนะครับ<ม>แล้วก็ปฏิบัติเรื่อๆเพื่อที่จะเข้าถึงสัทธานนทำมาหาได้น้อยแล้วก็ไม่ค่อยสมัยนี้นะครับ<ม><ม>เพราะว่าเกียร์ศรัทา น, นะครับมันไม่ให้แรงเหมือนสมัยเก่อนใช่ไหมครับ<ม>แต่เห็นประโยชน์นะต้องเห็นประโยชน์มีสัทธามีศรัทธา แล้วถึงทุกอย่างจะมาเองเห็นประโยชน์ในพระนิพพานใช่ไหมความชื่นชุกข์เนี่ยหมดกิเลสไม่ได้ฝุดไม่ได้เกิดนี่แหละมีสัาคัสในการปฏิปฏปฏบัตินี่ครับแล้วก็มีศรัทธา <c oughs> นี่ยคนสมัยนี้มีน้อยคือต้องสมัยผมบวชใหม่ๆนะผมบวชใหม่ๆเนี่ยผมสงสัยว่า ท, ทําไมพระที่บวชเข้ามาเนี่นะนะเป็นครูบาอาจารย์เป็อะไรก็แล้วแต่ทําไมท่านสอนที่เป็นสอนอยูอย่นั่นแหละมันที่วิทยากรเนี่ยสอนวิยากรแล้วก็สอนวิทยากรอีกนะ ถ้าคนทําทคน ว, วินัยอะไรกว้างขวางแตกสานก็ออย่างใช่ไหมครับถ้าตอนนี้น่สอนแต่ไวยกรอย่างเดียวทำไมไม่มีใครมุ่งมั่นปฏิบัติเรียาจังเลยให้มันลารู้มชอ่านี่ไปเลยนะครับทำไมทําไมไม่ดีพอบวชเข้ามาผมก็เลยรู้เลย <c oughs> ว่าทำไมเป็นอย่าง น, นะะ <c oughs> ไม่ใช่อาจารย์ขึ้มนมาน้อยเพื่อนฟันผานไม่ค่อยมีน ะ, ะตรงนี้นะถึงมันมีจริงแต่ว่ามันน้อยครับ ศรัทธาของปุถุชนนะเหมือนกับศรัทธาของเต่าสุโขโภคนี่นะครับบางคนบวไม่ใหม่ๆน่มีศรัทธาแรงกล้านะครับใจ น, อน้อยก็ฝันผ่านนะตั้งใจ จ, จะปฏิบัติอะไรเต็มที่นะครับแต่เอาไปมาเนี่ยอยู่ที่ใจมันตกได้ น, นะแล้วเมื่อใจไม่น้อนไปเต็มที่นี่นะเขาก็เลยไม่ปฏิบัติในอะไรต่อนะครับท mm ีน hmm. ี้ถามว่าคือปุถุชนเนี่ย ที่เราศรัทธาใช่ั้มเห็นว่าความพ้นทุกข์อนิพานตกิเลสนี่นมันดีนะมันเป็นสรัทธาโดยการสายฟังธรรมนะครับเห็นประโยชน์โดยสายฟังธรรมไม่ได้มีใจอยากจะไม่มไ่เกิดเลยอย่างนี้นะความรู้สึกนี้มันยังไม่เกิดหรอกเพราะอะไรก็เพราะยัเห็นว่าขันนี้เป็นสุขอยู่นะเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นอัตตาอยู่นะครับยังไม่เห็นขันี่ว่าเป็นทุกข์ด้วยปัญญาอย่างจๆนะมันยังไม่เปเห็นสภาพนั้นนะครับ อาใจที่มันน้อเข้าไปเพื่อจะดับเพื่อหมดกิเลสไปเลยนะดับไปเลยนี่นะมันก็ยังไม่มีเต็มที่นะครับมันมีประละมีความหลงมีอะไรเนี่ยเต็มที่ใช่ไหมครับพ่อะนี้ยก็ยังมีความรู้สึกว่านิพพานยังไม่ดีไม่ได้ผมกไม่ได้เกิดนะวัดศีรษะตายใช่ไหมเจเอออ่ะเออใช่แต่ยังไ ง, ง, งก็ต้องเราก็ต้องมีใจไว้อย่างนี้นะครับว่าหนทางอื่นเน่ะที่จะทําให้เรา คนจากทุกข์น่ะไม่มีตามใดที่เราเรียนว่าจารเกิดอยู่เนี่ยที่ว่าจะเป็นสุขอมาตะอยู่เมืองแก้วเมืองสวรรค์นะแล้วก็มีความสุขตลอดกาลสถานที่นั้นไม่มีเลยและส่วนใหญดที่เราไปคืออะไรคือบายภูมเขาไปกันเยอะแล้วก็ห่อยมากนะที่สังส่งๆาราเรียดยาวไม่ใช่ว่าเราไปสุกติสวรรค์สุกติสวรนค์เนี่นก็ดีสิครับ มันเลื่อนย่างลุงไปอ่ะบ้างนง่ายมากไปในไรแฉนทีไม่รู้กี่ห้องกี่ชาติของอจาพ้นนะครับไปไน้องอีกก็นานช้าแสนนานนะแล้วมีคนมีคนไม่ใจปลอดภัยนะในเมื่อโอ้ไม่ดีต้ อ, องสังสาร ว, วัฏอยู่อย่างครับเคยไปกูมาแล้วนะครับตัวนี้นะทีนี้ก็ต้องมีใจอย่างนี้แหละนะครับต้องมีใจว่าไม่มีปัญหาอาื่นนะถึงมันยังไม่น้องไปจริงนะครับถ้าเราใจน้องมาจริงนะมันเกี่ยวกับอะไร อาลัยเกียวกับอุปณิสายการสั่งสมมันแตากาันหรอของแต่ละบุคคลนี่ไม่เข้ากันนะบางคนไหยมาพูดกลอกผมไม่ฟังข้อร้อยเที่ยวครับท่านปฏิบัต <c> ิ <oughs> ปฏิบัติเจอผู้อธิษฐานอะไรแย่ๆมากมายนะแใจเขาก็ยังไม่น้องไปถามว่าเขาเรียนได้ไหมเขามีาศรัทธาฟังคำไหมวนะันนี้ก็มีนะ<ม>ก็ตั้งใจในตั้งใจแต่บ๊วยปัจจุบันภูมไม่ออกนี่นะ มาหลายขัน้น น, นแรกแต่ตั้งอยากเลยสียังไม่ได้นะครับตัง้งแต่นั่งไหนนะ <S <S 1> <S 1> บางคก็สีได้แล้วแต่ปริยัต่เอาอยู่ไปวันันครับบางคนปริยัตได้นล้วนะแต่ปฏิบัติตก็ไม่น้องไปนะครับบางคนปฏิบัติตได้แล้วก็ปฏิบัติมั่งปฏิบัติตมั่งนานๆทีอะไรนี่นะครับแต่คนที่น้องไปจริงๆเนี่ยเนี่ยหายากนะครับมันขึ้นอยู่กับการสะสมเลยนะ ทีนี้ยังยงไงเนี่ยเราบวชเข้ามาแล้วนะขอให้เราถึงแม้เรายังทํำที่สุดนี่ได้นะครับแต่ยังให้มีการบิดเบือนหรือย่อหย่อนแม้แต่นิดหนึ่งเลยเราก็ต้องบอกว่าที่พระเจาเจ้าตัดไว้ที่ถูกต้องคืออะไรล่าสุดพระวินัยที่ทรงทรงสี่เสี้ยนใช่ไหมครับแล้วทรงตัดไวนะ้เพื่อความมักน้อยสนุกขัดเกลเนื่องหนะ้าเพื่อการไม่สะสมอะไรเหล่านี้ใช่ไหมครับนี่มัสิส่งที้ถูกต้อ ง, องนะ ถ้าใครทําอย่างนี้พูดอย่างนี้สแสดงอย่างนี้นะครับนั่นมีสิ่งนี้ถูกเราต้องย่องย่อมขนนอเสบบูชาบุคคลเหล่านี้นะครับไม่ใช่ปฏิเสธมันไม่เข้าคีดเลยใช <c oughs> ไม่ยองไม่ยังได้อย่างน <c oughs> <ๆ>ี้อย่างนี้นะครับคุกผิดก็ต้องผิดค ก, ก็ต้องถูกเลยคุก็ต้องยอมรับใช่ไหมครับ <c oughs> คุณเพิ่งอย่าทำได้ระดับนี้ใช่ไหมเราก็ต้องยอมรัเออเราทาไม่ระดับนี้นะแต่นี้ถูกต้องที่สุดคือถึงขั้นนั้นนะครับเราก็ต้องชี้เป็นระบอบตรงๆนี้เลยนะ ห้ามมีการบิดเบือนแม้แต่น้อยนะครับมันจะเป็นเห็นให้พระศัทธธรรมเสื่อมนะครับเพราะเอาเราเราก็หย่อนงมันนิดหนึ่งใช่ไห ม, มเดี๋ยวอนุสิตหนาสินแห ล, ลนสิครับคุณมเรือต่อไปเนี่ยมันจะเสื่อมจะเมีนะครับมันก็จะหย่อมนไปที่สุดในที่สุดเนี่ยสนาเสื่อมหนาแล้วก็หมดไปเลย น, นะครับเดี๋ยวจะให้ตรงตรงนี้นันนะที่ว่าให้จับมาสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สำใหเสด็จบูชาตรงนี้เนะครับแรกก็จะไปตีเตียนไทยนะ คนนี้เขาทาถูกนะครับอย่าไปติเตียนนะครับถึงเรายังทํำสุดไม่ได้นะแล้วก็อะไรยึดหนึ่งไม่ก็หมดเวลาครับยังไม่เรียนครับก็จะจบแลนะครับนี่ก็จะจบแลครับอไม่ให้ไม่ให้บิดเบือนนะแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็สังเกมบุคคลเช่นนั้นถึงว่าไอสิงนั้นนะมันหน่งไม่อยถูกกิเลสเราเท่าไหร่ ใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะเลยทำถึขงขั้นนั้นไม่ได้เ่ยพอใครพูดมันงว่าอินโดเราหมดนะโดลรหมดเลยอย่างช่นพูดว่าอ้าวันผิวผ้าสามผืนต่มีบริหารอีกอสามตู้แล้ว <c oughs> มันก็ไปคือกันเลย น, น, เนะครับใช่ไหมนะครับใช่ไหมอั น, นียกตัวอย่างคำพูดหนึ่งมาครับหรือว่าถ้าเราไปเจนในกรสูนนะมันไม่มี้ายสะสมเลยนะ มีแต่เพื่อเนี่ยมั่งน้อยสนล้วก็จะเจอเยอะมากในพระวินัยนะแรักสีขาวจะได้สีขาวโบดเนี่ยพูดถึงเรื่อนนะครับแต่ถ้าหลวงพันจะนทร์หน้าไหมเขานี้ตลอดเลยนะเนี่ยก็ต้องรู้ไว้นะครับถึงบอกฟาสิบัคคูบาลตามบอกเส้ชาโนทันบอกว่าบางทีอาจจะไม่ต้องจําม่ต้องมีสูตรตัวก็ได้หาพูดหนังสือนังหาใช่ไหมครับคือในสมัยนี้มาจะมีหรือว่ายืมก็ยังได้ถึนี้นะอาจจะเป็นจดเอาอาจจะเสียเวลาหรือว่ายืมก็ได้นะครับ เป็นวันแล้วก็มีหนังสือนะเป็นศูนย์กลางของสองก็แลแสงนะครับให้ทุกคนยืนมเรียพอยืนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คืนที่กลับบ้านเลยเมื่ <S 1> <S 1> อรห้กับบ้านก็คืนนะครับใครต้องการจริงนะครับก็คนที่เข้าแบบความประพฤตใช้ได้แล้วก็ตั้งใจดีสามารถเผยแบบส่สนาได้ให้เข้าเอาไปแบบศูนย์กลางและคุณเอาไปทานที่ทีคุณจะไปเผยแผ่ใช่ไหมครับ <S <S 1> <S 1> สู้เอากันถึงที่สุดนะ ขนาดนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้คือไม่เป็นไรแต่ถึงท่อปุณณถมเป็นเพื่อการไม่สะสมพวกการไม่กัดตู้ใช่ไหมครับจะ <Yeah. S 1> ย้ายบ้านย้ายที่ทีลำบากนะต้องต้องมาขนกลับไปผมต้องแปฝ ก, ก่อ <Yeah. S 1> กลับมา น, นั้นครับ <Yeah. S 1> ความจริงมีอยู่สองตู้นะผมสนามบริจาคเรื่อยมันยึดติดมากนะครับมันไม่ได้สลักันง่ายๆนะมันจำํำเป็นหมดทุกเลื่อเลยเร่องก็จําเป็นเรื่องก็ต้องใช้ แต่เขาไม่ได้อ่านพร้อมมันจะจุ่มอะไรมันไม่พร้อมตลอดนะครับบางเล่มเขาเก็บไว้ในตู้มาสามปีแล้วที่ไม่ได้อ่านอะไรอย่างนั้นก็มีนะแต่มันผืออนาคตสาวพันกิเลสนะมันยึดอัตตาดวงตนอยูมแน่นมหกนะครับท่าที่มันก็สุกสาวสายแปก็อ่าไปไม่ได้ใช่ไหแต่มันยึดโหจะสนัดจะนาอ่านจะมาสิ่งเนี่ยนอกจากว่ามันไี่มีได้ฟังแล้วก็มันซื้งข้อตอนนั้นนะครับมันถึงจะถนะดได้ ผมก็เลยพยายามตลาดจนเหือตู้หนึ่งใสไปก็ยังเหือนเดต้องแัดกล่อง น, นะครับก <c oughs> ็ <c oughs> จะมีมีวิธีนะผมก็จะแนะนําให้นะครับถือว่าถ้าเรามันยังไม่ได้าสลาดทั้งหมดใช่ไหมใช่ใช่แบบอย่างนี้ก็ดีนะครับสลาดให้ยากโ ย, ง, ยงพ่อโยงแม่เนี่ยนะและเราก็ถือว่าเป็นของท่านหแหละแล้วก็ยืมท่านมาใช้ในคราวจาเป็นนั่นเองนะครั บ, นนรบอย่างนี้มันก็ยังดีมันก็รู้สึกว่า เราไมันมีบริหารเยอะใช่ไหมมีแค่บริหารแต่ข้าวที่จำเป็นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนึกถึงอาหาแล้วไม่มีเลยเราเดี๋ยไม่กล้าสละบริจาคให้บ้างห้องสมุดอเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ของอย่เป็นของเราเขาเลยให้ยมพ่อยมแม่ไปน่ะใจมันจะไม่ได้ติดไม่ได้ห่วงมากใช่ไหมครับถ้าแกจะเอาไปบริจาคมันก็เรื่องของแกนะเอาสละนะอย่างนี้เลยอันนี้ก็มันนี่องค์พอช่วยได้ไหมครับอันนี้น่าซืแนะนอน ก็แค่นี้ก่อนตอนนี้ได้อารมณ์ดีไงเรียกว่าอยากจะพูดสักหน่อยถ้าไม่อารมณ์ดีวนี้อมันมาแล้วแต่จะมีอารมณ์เหมือนกันเอขอเชวฟังธรรมนะครับฟังธรรมศาสโนไทยพวกนี้นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายอนแค่ชั่วโมงเดียวแค่ชั่วโมงเดียวครับแต่เมื่อคืก็เหมือนกันนะ งไงมันท้าสรทาามากนะครับเป็นในช่วงทีรากำลัจะง่วง <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นะ <c oughs> ผม่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ว่าเวลาอื่นเวลาอื่นมันก็ไม่ไม่สะดวกแลนะเพราะว่าต้องไปสอบต้องอะไรทช่ไครับก็คือเวลานี้นะครับอ้ี่เป็นเวลาเท่าไหาร่วาวัสองเพราะว่าวัาาานวชไครับอว่าง่อ๋อครับเข<อ>้าไปสอบนเวลาไปสอบกันเวลานั้นเลยนะเข้าไปสอบตั้งแต่บ่าย ก็ก็มมีคนที่ไปท่อามก็คนที่ไม่ไปอ๋อคนที่ไม่ไปขอข่าครับถ้าตามไปด้วยก็ได้ไป่ต้นนะครับเวากราบก็ได้แต่ใครมีเวลาก็นิมนต์มาฟังครับจะได้ยได้ฟังว่าของพระติละอย่างที่อาจารย์ได้บอกมานั้นนะก็หาฟังยากนะนะ แล้วว่าจะได้เจอทห้นีกม่ไหรก็ไม่รู้นะครับถ้านแต่นั่งอ ย, ย่างนี้หายากจริงๆนะผมว่าหายากมากตั้งแต่ผมบวชมานะครับผมว่าเจอผมว่าเจอท่าน น, นะที่ขก้าได้ขนาดนี้แล้วก็ครับสามสี่สามให้บวชพูดให้อาจารย์สมบูรณฟังอาจารย์ไปเลิกฟังวยไปออาจารย์นั้นปเลิกอาจารย์สมบูรง้อมาจนถึงตรงนี้ได้เพื่อจะพูดท่านนะครับ วันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ครับตเหมืนหนมอนต้นเหมอาตลอดะนะคะรับหายากนะครับขมวดแขนแค่นี่อนครับนี่ก็แค่นี้ก่อนนะคะรับในฐานะสุขอความเจริญนอกงามในคําบินัยของาาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงก่ทังหลายด้วยกันทุกท่านเถอดสาธกสาธกสา But y o s h o t a y a f e